ะจะเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้วันที่สมตุลาคมสมตุลาคม2องพัอ้โอ้ขอภัยพู้จิกาแม่ไปยังไปตุลาย้อนไปตุลาพฤจิกาแล้วจะงานมหาปวนาวันที่หจะถึงไม่อีกกี่วันนี่แล้วก็จะพูดเ ช, เ, ช เ, ชเชื่อมโยงต่อไปถึงงานมหาปวน า, วนาเหมือนกัน ภาพพุทุลายอยู่ได้นงานมหาปวรณาเรานี่มันก็ต้องพุชิกาเพราะเราเอาวันท <version please mig awa> ี่เจ็ดพุชิกาพุจิกาคมแกล้งพูดให้มันระลึกถึงนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของเราชอบพูดตลกมันเป็นทั้งนายก พฤจิกาคมก็ได้พฤษภาพยนต์ก็ได้อะไรเงี้ยนะอ้าวันว่าไปเราเอาวันพุธวันที่เจพฤศจิกายนซึ่งเป็นวันอโบ อ, อ่ปสมบทเป็นวันบวชอาตมาเข้าสู่พิธีบวชมาเป็นพระสมัยก่อนเ็เรียกพระบวชมาเป็นสมณนะ ตั้งแต่พศ2513เจพฤศจิกายนเป็นวันบวชแล้วไว่าถึงวันนี้วันที่เจตอนนี้เราก็เลยเอามาใช้เป็นวันมหาโพรนาเป็นหลักไม่ได้เป็นวันที่เจทีเดียวหรอกเอาวันที่7เป็นหลักในการจัดงานเราเราจัดงานผนโอ้กันถึงมหาโพรนาไม่จะเป็นงานวันเกิดอาตมานะ ไม่ใช่เป็นงานวันบวชอัตมาไม่ใช่งานที่เป็นถืออัตมาเป็นหลักแต่ว่าเอาตัวเลขวันบวชอัตมาเป็นหลักเฉยๆเพราะมันไปเข้ากันกับว่ามันออกพรรษาประมาณเดือนตุลาปลายตุลาแล้วก็มีเวลานิดหน่อยแล้วก็จัดจัดงานกันก็เลยกำหนดเอาอย่างนั้นก็กำหนดทุกทุกปีก็อยู่ในช่วง หนึ่งเราจะมีวันมหาปรณาสองสักสองใช้เวลาสักสองวันสําหรับสมณนะท่านก็จะมีมหาปรณาการทำพิธีมหาปรณากันแล้วก็ผ น, นวกเอาวันเกิดของปฐมโศวันเกิดของปฐมโสศและก็วันเมื่อมหาปรณานี่ในพิธีพิธีกรรมของชาวพุทธ ศาสนาพุทธเรามีวันตบัตเทโวตาบัตเทโวพอออกพรรษากันตาบัตเทโวมหาปรณาก็คือวันออกพรรษาฉันจะมวารณาวันออกพรรษากันสําหรับพิธีกรรมของภิกษุของพระในพุทธศาสนาแล้วก็จากปัิบัติุงขึ้นทางเกิดตาบัตเทโวกันเราก็ตาบัตเทโววันหนึ่งวันเกิดของ ประธมสะโกรกอีกวันหนึ่งทีนี้วันเกิดของประธมสะโกรกนี่มันจะตรงกับวันอาทิตย์เราจะใช้วันอาทิตย์เป็นวันเกิดของประธมโกกเราก็เลยยึดวันอาทิตย์เป็นวันหลักวันหนึ่งกับวันที่เจวันหนึ่งก็เลยดูเอาวันที่เจดกับวันอาทิตย์นี่เป็นหลักจะก่อนจะหลังยังไงก็แล้วแต่ก็ใช้สี่วันนี้มหาปรณาสองและกัวัน ตาบาทเทวุหนึ่งแล้วก็วันเกิดอีกหนึ่งมันก็จะเป็นวันเกิดนี่คือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันมหาปารณาก็จะเป็นล็อกอยู่ที่วันเสาร์ล็อกที่วันเสาร์ส่วนวันที่วันวันติดขึ้นมาอีกสองวันก็ต้องเป็นวันมหาปารณาก็เลยต้องใช้วันประหัสุปเสาร์อาทิตย์เพราะฉะั้นงานของเราจะเป็นงานงานมหาปารณาเนี่ยจะเป็น วันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ทุกปีไปแต่วันที่ก็จะเจ็ดตกวันไหนก็ช่างก็นเวลาประมาณนั้นเจ็ดจะอยู่ในวันแรกวันที่สองวันที่สาวันที่สี่ก็ไม่เป็นไรให้มีวันที่เจ็เป็นหลักกับวันอาทิตย์เป็นหลักจะได้วันอาทิตย์กับวันที่เจ็ดนี่ถือสองวันนี้เป็นหลักโดยการจัดงานวันมหาปกรณ์การธรรมชาติหลักอันนี้ หลายคนก็ฟังไปจะเข้าใจอัตมาก็ใช้หลักอันนี้มันก็มันไม่แน่เนี่ยแต่ละปีวันวันไม่แน่วันที่มันไม่แน่วันที่แม่แต่เรายึดวันพะหัสถึงมันอปทิตย์เลขเจ็ดก็เลยจะอยู่วันไหนก็ได้นะอยู่วันไหนก็ได้แต่มันก็จะตกตัวพฤติกายน์ทั้งนั้นแหละเพราะเราเอาเดินพฤติกายนเพราะเลขเจ็ดจะมีวันเกิดวันบวชไม่ใช่วันเกิดวันบวชอัตมาอยู่ด้วย กับวันเกิดของปฐมโสตขเป็นหลักส่วนมหาปรณากับวันนั้ก็ติดพ่วงมาวันที่เท่าไรไม่รู้วันมหาปรณากับวันติดกันกับวันตบาทเทโวนะก็ต่อกันสามวันนี่คือการจัดจัดวันกันนะ ตอนนี้ก็จวนล้ ว, วันที่สามแล้วพรุ่งนี้วันที่สี่ฝนก็ตกอยู่ทุกวันผู้ที่จัดสถานที่กันก็จัดกันใหญ่เลยทั้งสถานที่ข้างนอกข้างในข้างนอกก็จัดยากอยู่เพรฝนตกเมื่อกี้เสียงฟ้าผ่าที่ไหนอะไกลๆเนี่ยโอ้โหดังสนั่นที่ไหนรู้ไหมได้ยินบ้างได้ยินน้ําผมไม่ได้ยินได้ไงเนดังสนั่นวันวันอะ เลี้ยงใหญ่เลยฝ น, นก็ตกทํางานข้างนอกไม่ได้ข้างในเลยทํานี่ยังไม่ทันอะไรในวั น, นที่สามเท่านั้น ท, ทิวทงเต็มไม่หมดเลยเดินเข้ามาผ่านทงเกือบมาไม่รอดมีแต่ทงบางหน้าเต็มไม่หมดทงนท่านดินไทยบอกว่าโอ้โ oh หงานวัดเสร็จแล้ว <laughs> มีแต่ทงทิวเลยเต็มหมืก็งานวัดงานวัดเกิดแล้วน วันนี้ก็เลยจัดเป็นวันเอื้อไอุนกันนะเป็นเอื้อไอุนอาตมาก็พูดไปเอื้อไอุนผู้ไดจะมีอะไรถ่ายอะไรทามอะไรคุยตามประษาพ่อพอลูกลูก น, นะปู่ปูล้านหลานนะต้องปู่ปูล้านหลานด้วยนะพ่อพ่อลูกลูกปู่ปูล้านหลานเราอาตมามันเลยพ่อไปแล้วตอนนี้มันเป็นปูล่ละน่อายุแปดสิบกว่าแล้วเนี่ยมันเป็นปูล่ละนะ ก็ก็ปูป่ๆลั่นหลานด้วยนะพ่อๆลูกๆด้วยก็ว่ากันไปมีอะไรก็คุยกันโนพาปราัยกันนะท่านฟ้าไทยกับท่านกรรมกรขึ้นมาพูดขั้นก่อนที่จะถึงเวลานี้เมื่อกี้นี่ได้แนะนำหนังสือค่าบุญคือบาปนะเล่มที่อาตมาถืออยู่เนี่ยนะ หนาปักเลย320สบหน้าจะตกใจเห็นหนังสือนั้นหนาแล้วตกใจหม่ยมันหนาไม่น่ากลัวอย่าเพิ่งไปกลัวนะอย่าเพิ่งไปกลัวอ่านอันอนตมาว่าพยายามภาคเพียนอ่านหน่อยก็จะดีอัตมาอยากให้อ่านนะจริงๆก็ทุกคนแหละหนังสือคนตัวเองเขียนก็อยากให้คนอื่นอ่านมันก็รธรรมดาเนี อ, อย่างให้คนอื่นอ่านที่อาตมาว่าอยากให้อ่านก็ไม่ได้หมายความว่าเอออยากให้อ่านเพราะมีใจใจที่จะเหมือนคนอื่นว่าเออของเราเนี่ยนะคนอื่นน่าอ่านนั่นเป็นลักษณะอาตมาว่าเป็ น, นเรื่องกิเลสอัตตาชนิดหนึง่งของเราเนี่ยอยากให้คนอ่านอ่านแล้วดีใจเพราะคนอ่านของเราแค่ความรู้สึกว่าของเรามันเป็นอัตตาแต่เขาอาอตมนานี่ที่อยากให้อ่านมันไม่ได้มีอาการอย่างนั้น อาการนี่ละเอียดนะอาการทางจิตเนี่ยเราต้องอา่านให้ละเอียดเลยว่ า, าการเป็นอัตตาหรืออั ต, ตนิยาของตนกับความไม่ใช่อัตตาหรืออั ต, ตนิยาของคนแต่เป็นความอยากเป็ความอยากเป็นตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาถ้ายังมีความอยากว่า เ, ออเขาอ่านของเราเราเชื่อชื่นใจอ่าชื่นใจดีใจที่เขาอ่านของเราเยอเขาชอบของเราด้วยโอ้ยิง่งชื่นใจใหญ่ จะได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ช่างหมดเถอะเขาชอบชื่ในใจอ่านทามีประโยชน์ด้วยกันแน่นอ น, นก็ยิ่งดีละนัะ่ น, นมีการชื่ในใจดีใจที่เขาอ่านของเร า, เ อ, าอยากให้อ่านเลเขาอ่านแล้วก็จะดีใจนั่นคืออ่านอย่างมีกิเลสก็ไม่ใช่อยากอย่างมีกิเลสนั่นะอยากอย่างมีกิเลสแต่ถ้าอยากอย่างไม่มีกิเลสเรียกวแบบ่า ตัณหาวิภาวะตัณหาคือตัณหาที่ไม่มีพบมีชาติตัณหาไม่ได้มีกิเลสเกิดในจิตอยากให้อ่านแล้วผู้อ่านจัได้ประโยชน์สาหรับผู้อยากให้อ่านที่เป็นเจ้าของผู้เขียนเองก็ตามไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไม่ได้อยากให้มีว่าเออเขาอ่านแล้วดีใจชื่นใจหรือว่าเป็นอะไรอะไรแบบคือมีอาการของโลกีรุ อันนี้เป็นเรื่องลึกซึ่งที่จะต้องแยกโลกีรตกับอุเบกขามันไม่มีโลกีรตเฉยๆต่อโลกีรตมันไม่มีอาการโลกีรตแต่มันมีความรู้ว่าเป็นคุณเป็นโทษก็รู้สึกว่าเขาอ่านเป็นคุณแต่คนอื่นบางคนเขาอ่านหนังสือเราเนี่ยอ่านแล้วเป็นโทษมีเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นคุณอย่างเดียว อ่านแล้วเป็นโทษคือคนที่อ่านหนังสือเราบางคนเนี่ยเราจะอยากให้อ่านหรือไม่อยากให้อ่านก็ตามแต่เขาอ่านหนังสือเราได้เป็นโทษไงฟังดีๆนะเขา อ, อ่านหนังสือเราเป็นโทษคือหนึ่งเขา อ, อ่านไปแล้วเขาเขา้าไปเข้าใจผิดก็เป็นโทษนะสองเขา อ, อ่านไปแล้วเขาไปเกิดกิเลสมาก ยิ่งอ่านยิ่งโกรธยิ่งอ่านยิ่งแค้นยิ่งอ่านยิ่งโอ้โหไอ้ยางงี้ก็ไม่อยากให้อ่านไม่อยากให้อ่านแต่ถ้าเขาไปอ่าน้ะเขาโกรธเขาแค้นเขาเคืองแม่มันก็ยากเนาะเราก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงเราก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงเราก็ไม่เจตนาจะไม่ให้เขาโกรธเขาแค้นเขาเคืองเขาเสียอารมณ์อะไรพวกนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นหรอก แต่มันสุดวิสัยเขาเกิดอย่งนันจริงๆเรากม็มันก็เป็นโทษมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เราก็ไม่อยากให้อ่านแล้วแต่ถ้าอ่านแล้วเออเราอยากให้อ่านแล้วมันจะเป็นคุณนะลองอ่านคำนำกับคำปลารบดูก่อนอนตาตมาจะพูดประกอบอันนี้ไปก่อนผู้ใ ด, ดอยากจะถามก็ยกมือเลยอยากจะถามเมื่อไหร่ยกได้เมื่อนั้นเสร็จแล้วใครถือไมโครโฟนช่วยเอาไมโครโฟนมาให้ผู้อยากถามถามสดนะ ส่วนใครไม่ถามสดเขียนกระดาษมามีมาแล้วหนึ่งกระดาษเออไออูนเราก็จะมีวิธีนี่แหละถามสดด้วยเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็คุยกันไปไม่มีอะไรมาอาไรมาก็คุยคุยพูดกับพวกเราไปางี้แหละหรือใครอยากจะคุยบ้างก็นั่นแหละก็บอกยกมือแล้วก็ไมโครโฟนไปถึงคุณก็คุยมาถามมาคุยมามีเรื่องปลา ร, รบอบยังโ น, นอยนี่อะไรก็ว่าม า, าเป็นรายการอย่างนั้น อา้าวเริ่มต้นใครจะยกมือก็ยกใครที่ช่วยดูไมโครโฟนถ้าใครอยากจะถามยกมือแล้วก็ดูด้วยว่าเขายกมือช่วยเอาไมโครโฟนให้เขาด้วยนะแล้วก็พูดเลยพูดแทรกขึ้นมาตอนนั้นทันทีเลยอธตมาจะได้รู้ว่าอ้อเขาจะพูดนะบางทีอธตมามองไม่เห็นเนี่ยมันกว้างยิงตอนนี้คนก็เยอ ะ, ะพอสมควรแล้วมีทิวทงบังไว้ตั้งเยอะเนี่ยก็เลยเห็นไม่ถนัดส่วนใครจะเขียน เป็นกระดาษถามมาก็ส่งมาเรื่อยๆได้เวลาอาตมาก็จะอ่านคำ ถ, ถามพวกนี้ตอบอตอนนี้อาตมายังมีไหมมีใครยกมือแล้วก็ยังไม่มีใครยกมือยกเมื่ อ, อไรก็จะถามเยกมือเลยแล้วก็คนที่ช่วยดูแลไมโครโฟนเอาไปให้ด้วยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้ายกมือเอาเลยยัมีอาตมาจะอ่านคำนำกับคำปลารบคำนำนี่คือของ<ม>ของสนักพิมพ กลั่นแกนเลยเขาเขียนคำนำของเขาส่วนคำปรารถนั่นเป็นคำของอัตมาเขียนปะหน้าหนังสือเล่มนี้คำนำเขาว่างงี้เขาบอกว่าชาวพุทธจำนวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจในยะสาคัญคำว่าบุญเมื่อไม่เข้าใจในยะที่แท้จริงบุญจึงถูกนำมาเป็นตราสินค้าของพุทธเพื่อระดมเงิน ซึ่งออกนอกคำสอนของพระบรมศาสดาไปไกลแสนไกลเมื่อประทับตราแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องบุญทำบุญได้บุญเอาเงินหยอดใส่บาทเล็กๆที่ตั้งเรียงรายกันก็บอกว่าได้บุญเอาเงินใส่สองพระปาจากสารพัดวัดก็บอกว่าทำดุ๊กทำบุญไปร่วมพิธีบูชาพระราหูที่วัดก็บอกว่าจะเกิดผลบุญบารมีเปียใหญ่ ค่าบุญคือบาปบุญคืออะไรกันแน่พ่อครูสมณพโธทิรักษ์ได้ชี้ชัดไว้แล้วเพื่อชาวพุทธจะได้เดินถูกทางสมาธิธิเพราะบุญไม่ใช่เรื่องตื้นเขินที่จะมาพูดกันเปล่าๆในงานวัดแต่บุญนั้นคือชำระกิเลสในสันดานให้สะอาดหมดจด บุญคือชำระกิเลสในสะดานให้สะอาดหมดจดคำว่าบุญเป็นปรมาทสัจจะเป็นโลกุตระไม่ใช่คุณงามความดีแค่กุศลที่ยังเป็นโลกิยะเท่านั้นหากไม่อยากจะเป็นชาวพุทธที่ทมบุญได้บาปสะสมกิเลสควรศึกษาตำราพุทธเล่มนี้อย่างแยบคายเพื่อความเข้าใจและ ทำบุญได้อย่างสมาธิเพราะเข้าใจในัยยะลึกซึ้งคำว่าบุญคำว่ากุศลได้ถูกต้องคราบนำมศ ก, การพ่อครูสมณโพธิรักษ์ที่ใช้นิรุตติปฏิพานในการถ่ายทอดเป็นตำราโลกุตระเพื่อมวลมนุษยชาติและขอบคุณพระคุณทุกฝ่ายที่เสียสลับกระทั่งงานรุ่รงดี ย่างเขาปีที่21เราคิดอะไรขอน้อมมอบค่าค่าค้าค่าบุญคือบาปบุญคืออะไรกันแน่เป็นธรรมบรรณัการแดมมวลสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านด้วยความปรารถนาดีก็บรรณาธิการเราคิดอะไรสำนักพิมพ์กลั่นแก่นนี่เป็นคำนำน เดี๋ยวยังไม่มีใครถามเนี่ยมันมีใครจะพูดอัตมาก็จะต้องอ่านต่อแล้วก็จะได้ไข ค, ความจะเอานำที่อ่านไปแล้วเอาคาพวกนี้มาขยายความพูดกันไปพังๆานะใครจะถามยกมือกลางคันจริงๆนะนะแล้วก็จะได้เอามโครโฟนพูดถือไมโครโฟนเตรียมไว้อยู่นะจะได้เอาไปให้ผู้คือไมโครโฟนก็ต้องดูนะ ดูไว้ใครยกมือแล้วก็เอาไมโครโฟนมาให้เขาจะถามเองใช่ไหมเอาเอาเลยผมอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็จะถือไมโครโฟนเองแล้วก็จะถามเองใครใครยกมือเดี๋ยวจะเอาไมโครโฟนมาให้แต่ผมขออนุญาตถามก่อนนะฮะเอาเลยถามแบบคําถามเด็กๆที่เด็กๆเยอะๆนะวันนี้เพราะว่าพอครูไปที่นาแรงรักแล้วเด็กคนนึงก็ถามว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้จบม .6 ได้แบบเรียนไปรอดอย่างนี้ครับแล้วก็พอครูก็พูดสั้นๆแต่ผมว่า มันน่าจะมีรายละเอียดมากกว่า น, นี้เช่นงานนี้เด็กๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะงาน ม, มางานวัดเนี่ยม่ได้บุญยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอขอนิชาถามขนาดนี้ก่อนครับครับอ้าคำถามประเด็นก็คือว่าทำยังไงจะเรียนให้จบม .6 ได้อ่านี่เป็นคำถามของโรงเรียนสมาศิขานะโรงเรียนสมาสิขานี่ตั้งมา เราจะทามาหลายที่หลายแห่งบางแห่งก็ไม่ถึงยี่สิบปีบางแห่งก็ยี่สิบกว่าปีแล้วก็ยี่สิกว่าปีแล้วที่เราเกิดโรงเรียนในปรัชญาหรือว่าวิธีการให้การศึกษาแก่อุชนแก่ประเทศสร้างอนุชนให้แก่ประเทศด้วยให้การศึกษาเนี่ยแล้วเราก็จัดทาเกิดโรงเรียนขึ้นมาเป็นนิกิใน เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องตั้งกระทรวงศึกษาผลิตให้ความรู้การศึกษาช่วยประเทศชาติเพราะอภัยไม่ได้ไปทวงบุญคุณอะไรจากประเทศจากประชาชนจากใครแต่ใครหรอกแต่พูดความจริงให้ฟังว่าเราได้ทำหน้าที่ประชาชนอยู่ในสังคมนี้เป็นการเมืองภาคประชาชนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการเมืองภาคประชาชนก็คือเป็นงาน ทำงานช่วยพลเมืองช่วยประชาชนเพราะการเมืองคือการช่วยประชาชนทำงานเพื่อประชาชนเพื่อสังคมประเทศชาติโดยการเสียสละโดยการไม่ได้หวังผลตอบแทนนี่คือนิยามของคาว่าการเมืองที่อาตมาเข้าใจและมั่นใจและได้ทำอยู่ในความหมายการเมืองส่วนนักการเมืองหรือผู้ทำาการเมืองท่านจะมีความเข้าใจต่างจะอาตมาไปอย่างไรอาตมาไม่ขอวิจัยวิจารอะไร ก็เรื่องของท่านแล้วก็ทานก็นทํากันอยู่การเมืองจิตภายเพราะว่าไอ้ความเข้าใจนิยามของท่านผิดเพี้ยนก็มีอยู่เยอะอัตมาก็ว่าวิจารณ์อยู่ว่าเหมือนกันเพราะาอัตมาเป็นคนจะเกิดมาเพื่อจะว่าคนน่นก็ว่าพอเห็นว่ามันผิดก็ว่าไปแต่ตอนนี้ก็ยังขคาผ่านเพราะการศึกษาที่สมาชิกขาเราทํามาเนี่ย โดยเจตนาตั้งใจที่จะสร้างอนุชนให้แก่ประชาชนจริงๆโดยสร้างจริงๆไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอย่างสุ่มสีสุ่มห้าเดาเส่งๆอะไรไม่เลยที่นี่อาจมาทำการศึกษาเนี่ยมันก็เลยเป็นการกอบกู้ความเสื่อมของการศึกษาขอพูดอย่างนี้ขออภั ย, ยขอพูดอย่างนี้มนันดูมันใหญ่ๆแต่ เห็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความเสื่อมของการศึกษามันเสื่อมตรงไหนมันเสื่อมตรงที่ว่าหนึ่งคุณธรรมของเยาวชนไม่ได้การศึกษาของประเทศอยาว่าจะประเทศเลอแมแต่ในโลกอัตมาก็าเสียดายประเทศไทยเป็นศาสนาที่เขาเป็นประเทศที่มีพุท ธ, ธศาสนาเป็นเมืองพุทธนะ่ะ เป็นเมืองพุทธแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ทางพุทธเลยไม่เอาพุทธมาไว้เป็นการศึกษาเลยทั้งๆ ท, ที่พุทธเนี่ยจะต้องศึกษาพูทที่เป็นสมาชิกของชาวพุทธต้องมีการศึกษาสามแต่ไม่มีเลยแม้แต่ประชาชนก็ไม่มีการศึกษาก็ควรจะเป็นหลักให้เขาเอาว่าเมื่อประชาชนก็ไม่รู้แล้วก็ให้การศึกษาตั้งแต่เยาวชนไปสิก็ไม่ได้สํานึกเลยในวงการการศึกษาของประเทศไม่เอาใจใส่เรื่องนี้ ทิ้งเลยมันจะไม่มีแล้วมันก็จะไม่ได้ก่อเกิดอะได้ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าผลเสียอะไรเกิดขึ้นปล่อยไปปล่อยปล่ละเลยไปจนกระทั่งาศาสนาหรือธรรมะก็เลยยิ่งศูน์ไปใหญ่เลยได้พานกลายเป็นเยา ว, วชนที่ไม่มีการศึกษาทางธรรมะก็ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ของประเทศประเทศก็เลยยิ่งผ่านาพาไม่มีาศาสนาไม่มีธรรมะเพราะอย่างนี้เอง ขออภัยนั้นี่นิวว่าผู้ใหญ่ยุคตอนนี้เลยจึงไม่มีธรรมะเพราะการศึกษามันไม่มีธรรมะมาก่อนท่านอีกการศึกษาไทยมันไม่มีธรรมะมาแต่แตก่อนท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่อยู่ตอนนี้ท่านก็ไม่มีธรรมะไม่ใช่เหตุเพราะท่านหรอกแต่เพราะเหตุอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจะตั้งสติแล้วนํำธรรมะเข้ามาสู่การศึกษาได้ไหมสมัยอาตมามีธรรมะเรียนหนังสือ มีวิชาธรรมมาคือหน้าที่พ ล, ลเมืองแค่นั้นแหละคะแนนสิบคะแนนคะแนนเต็มสิบคะแนนเอง10บคะแนนตัว น, นั้นเองในวิชาทั้งมวลคณิตศาสตร์คะแนนเต็มร้อยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรก็ร้อยร้อยรอย้ยตั้งหลายวิชาแต่หน้าที่พลเมืองแปะไว้มีคะแนนสิบเนี่ยจะมากเกิดเมื่อ80สบปีมาแล้ว แล้วก็เรียนปฐมมัธยมมาก็ได้เรียนหน้าที่พลเมืองคะแนนเต็มสิบยังมีติ่งอยู่แค่สิบเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยสิบก็ไม่มีและไม่ให้ประเทศมันสิบหายได้ไงเพราะมันไม่มีคุณธรรมแล้วมาบอกว่ามันมีโกงกันคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองทุกอย่างมาแต่เหตุเมื่อเหตุมันเป็นความไม่มีคุณธรรมความโกงก็เป็นเรื่องสามัญ ก็โกงได้โกงดีดังชื่อรายการของคุณวีระสมความคิดที่ออกอยู่ในบุญนิยมทีวีเนี่ยโกงได้โกงดีอาตมาเองอะตั้งชื่อรายการให้เขาชื่อรายการเอารายการอะไรดีอาตมาก็ว่าก็ชื่อที่คุณถนัดเรื่องนี้อยู่ก็ชื่อรายการโกงได้โกงดีแล้วเอ้าโกงได้โกงดีจะไปส่งเสริมว่าโกงทําไมล่ะครับว่างั้นเฮ้ยคำโกงได้โกงดีนั่นเป็นคำประชดนะ มันเป็นคำประชดนะไม่ใช่คำส่งเสริมไปโกงนะพาซื่ออะไรขนาดนั้นไม่โกงได้โกงดีเนี่ยเป็นคากระตุกสติคนนะแกก็เลยเข้าใจแกก็เลยเอาก็เลยชื่อรายการว่าโกงได้โกงดีเพราะฉะนั้นมันก็โกงกันบริสัน์แหลกเลยมีอย่างที่ไหนเน่ยโกงกันได้ทีละแสนล้านโฮโฮนี่ยังคาลังกาังอกู่เลยเนี่ยน ยังกรอเลยว่าเนี่ยเงื่งง่าราคาแพงนี่จะลงดาบกันไหมหรือไม่อะไรยังไงเลยเนี่ยโอ้โหประเทศไทยิบหายวายป่วงไปขนาดหนักเลยขนะ้อไปในอาตมาภาษาโวหารมันค่อนข้างจะแรงแรงผาผ่าและแม้จะเรียกว่าหยับหยาก็ใช่มันแรงแรงผผ่าตรงๆมันก็เลยดูหยับหยาแต่อาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้พูดหยาบพูดคายอะไรอตาตมาพูดสัจจะความจริงให้เข้าใจง่าย แล้ให้มีน้ำหนักด้วยต้องการให้มีน้ำหนักด้วยเพราะอั้นอาตมา ก, ก็เลยพูดไปตามความเชื่อมั่นว่ามันเป็นประโยชน์นสรุปการศึกษาไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะอาตมาจึงมุ่งมั่นเลยตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาเป็นศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาโดยกำหนดศีลเด่นมี40เปเ็นป็นงานอีก35ส่วนวิชาการ25 แปลงกระทรวงกําหนดมาหลักสูตรของกระทรวงจะให้สอนเท่าใดเราก็สอนไปเลยแต่เราจะใช้ในการศึกษากับเด็กของเราเนี่ยเราจะใช้แบ่งเวลาที่จะให้แก่การศึกษานี้แค่2ีเซที่จะให้ความรู้เขาตามหลักสูตรของกระทรวงให้ได้เต็มๆด้วยเท่าที่จะสามารถทําได้เราก็ทํางานหนักเพราะกลางวันกลา ง, งคืนเวลานั้นเวลานี้เราจึงไม่มีการให้นักเรียน เดินเรียนมีแต่นักเรียนประจำเลี้ยงมันลูกทั้งเวลาเลยอยากสอนเมื่อไหร่มีเวลาเมื่อไหร่สมควรเมื่อไหร่ปลุกขึ้นมาเรียนเลยสอนกันตีหนึ่งตีสองอะไรกันเรียนกันแต่ขออภัยไม่เคยสอนกันตีหนึ่งตีงหรอพูดให้มันเลเบอ้อเบอ้เบหน่อยเพราะฉะนจะสอนบางทีสองตุ้มสามตุมแล้วก็สอนอยู่ในเวลาที่มันพอไปได้แล้วก็สอนกันไม่กําหนดว่าจะต้องเวลานั้นเวลานี้ที่จะต้องกําหนดแม้ต้องเข้า แปดโมงเโมงเป็นเลื่องสี่โมงสโมงอะไรไม่เอานะไม่ใช่ศาสน า, าไม่ใช่การศึกษาในกล่องเพราะว่าการศึกษาของเราอัตวาเห็นว่าต้องเป็นการศึกษาแบบบ้านวัดโรงเรียนต้องมีการสัมพันธ์ในสังคมเป็นการศึกษาของมนุษย์ไม่ใช่การศึกษาหเหมือนกับทำทำไก่ไก่ตอนอทำเป็น ตับอะไรตับเป็ดอะไรอ่ะที่มันกลอกอกรับเอาเป็ดเอาหารตับผานแล้วก็กลอกให้ตับมันโตโตแล้วก็เอาตับไปบางนั้นไปขายกันโดยการกรอกกลอกกรอกใส่กล่องเอาไว้เลี้ยงไก่ใส่กล่องเอาไว้อย่างงี้น่ะการศึกษารในกล่องเช้าก็เข้าอัดไปในกล่องก็กรอกความรู้โดยไม่ได้มีความรู้ทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีความรู้ทั้งเรื่องอื่นเลี้ยงทวิชาการไป เชา้ากลาวันเย็นก็เช้าไปโรงเรียนเวลาพักกลางวันเวลานั้นเสร็จก็กลับจากบ้านกลับมากินข้าวอาบน้ําทําการบ้านนอนตื่นเช้าก็ไปโรงเรีย น, เ ร, ยนเรียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็เอาแต่วิชาความรู้ไม่เรียนจนกระทั่งเด็กแบบตําราหลังโกงหลังโกงกันหมดเลยหรือพวกเด็กนักเรียนเรียนกันใส่แว่นตาหนาไม่รู้กี่ชั้นจบปรินตาตรีโทเอกมาก็เต็มหูเต็มหัว ฉลาดเกินฉลาดรู้มากเข้าใจมากก้าวหน้าทางความรู้แต่ทำงานไม่เป็นไม่เป็นงานและไม่มีทุน ร, รมนี่คือความบกพร่องความเสื่อมที่อัตมาสรุปเพราะฉะนั้นการศึกษาธมามก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบรวรมาเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะซึ่งบ้านวัดโรงเรียก็หมายถึงสังคม บ้านคือสังคมวัดคือแหล่งที่จะให้การศึกษาของมนุษย์วัดคือแหล่งที่ให้การศึกษาของมนุษย์เพราะฉะนั้นชุมชนชาวโศกนั้นคือบ้านวัดโรงเรียนรวมกันหมดเลยคนมาในเนี่ยมาในชุมชนโศกนขาบอกวัดอยู่ตรงไหนเขาถามว่าวัดอยู่ตรงไหนนี่ใครเคยโดนถามไหมพวกเราเคยมีใครเคยโดนถามหม วัดอยู่ตรงไหนอ่ะชุมชนเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านราชฎธานีอโศกเป็นหมู่บ้านวัดอยู่ตรงไหนอย่างศรีสะอศก็เป็นหมู่บ้านตามน pues ิติน <over> ัยวัดอยู่ตรงไหนในหมู่บ้านศรีสะอศกก็ทุกหมดรวมกันชุมชนนี่คือบ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็รวมกันอยู่ในนี้วัดก็รวมกัอยู่ในนี้กับบ้าน นี่คือความลึกซึ้งของสังคมมนุษยชาติที่เรากระทำและทำได้นักเรียนโรงเรียนก็อยู่ในบ้านนักเรียนโรงเรียนก็อยู่ในวัดนักเรียนอยู่ในวัดเรียนอยู่ในบ้านเรียนก็อยู่ในโรงเรียนอยู่ในนี้แหละที่เด็กอยู่เอาทีนี้ประเด็นคำถามถามว่าทำยังไงจะเรียนจบหมหก ที่เด็กต้องถามอย่างนั้นเพราะว่าเด็กมาเรียนที่นี่เนี่เข้ามหนึ่งตั้งแต่มหนึ่งไปพอถึงหกมีเข้ามหนึ่งปีนี้อย่างรับสาสิบคนมาสมัครเข้าสาสิบคนคัดเรื่องได้คนมาเรียนสาสิบคนเรียนไปเรียนไปมสองมสามมสี่มห้ามหกพอถึงมหกรุ่นสาสิบคนมหนึ่งเนี่ยมาถึงสิบสสิคนเหลือสิบคนก็เก่งนอกนั้นออก นอนนั้นออกมีออกสองอย่างหนึ่งออกเองเรียนไม่ไหวสองให้ออกโรงเรียนให้ออกไปเพราะว่าคุณสมบัติสอนไม่ไหวผ่านพานให้เสียเสียหมู่เสียระดับของการศึกษาของสมาชิกาด้วยเราก็จาเป็นต้องให้ออกไปนะ ซึ่งบอกได้เลยว่าเด็กออกไปจากเราที่ให้ออกโดยทางโรงเรียนให้ออกนะเข้าไปโรงเรียนที่อื่นหลายคนเป็นดีเป็นเด่นในที่อื่นตอบไม่ได้ว่าอะไรคุณแตไปตามตรวจสอบเอาเองขนาดออกจากรที่นี้ให้ออกไปนะไปดีเป็นเด่นในโรงเรียนที่อื่นไปดีเป็นเด่นนะถ้าใครฟังเป็นก็จะรู้ว่า อะไรไม่ได้คุยตัวไม่ได้คุยเด่นคุยดังอะไรมันเป็นเช่นนั้นนะเพราะนั้นเด็กที่นี่จึงเรียนหนักกว่าข้างนอกถึงสมต่อเพราะต้องเรียนั้งฝึกฝนคุณธรรมนี่ตองหนังฟังท่านจะเห็นได้ว่าเดเนี่ยแต่เวลาบรรยายธรรมเนี่ยยังมีเด็กนักเรียนมานั่งฟังมานั่งเรียนมานั่งอะไรจะเห็นได้นะเวลาอื่นก็มีที่ไม่ใช่เวลาที่มานั่งฝังที่อธตมาออกา เขาก็เรียนก็ก็ปฏิบัติไปในตัวเพราะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันจะซึมซับมันจะสอดแทรกมันจะให้ความรู้ทางธรรมไปตลอดสรุปแล้วว่าคือเรียนหนักถึงสสมต่อเพราะฉะนั้นเด็กจะได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่เด็กเพราะเราให้การศึกษาอย่างนี้จริงๆว่าเด็กจะได้ทั้งคุณธรรมเป็นงานและการศึกษาซึ่งการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวง เด็กเราจบบอกไปมก็ไม่เห็นว่าเด็กของเราเก้อะไรเลยขออาภายัยเด็กเราดีกันเด็กหลายโรงเรียนที่บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, จบบอกมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลายโรงเรียนโรงเรียนรัฐ ด, ด้วยบางทีแต่เด็กเราไม่มีอ่ะเด็กเราไปเรียนก็อาตมาเคยตั้งกสงเกตตั้งกสงเกตอะไรเด็กเราจบหกแล้วอาตมาก็ไปทำที่ มหาวิทยาลัยอุบลได้ร่วมกันเพื่อที่จะเรียนอุดมศึกษาทางลงธรรมมหาวิทยาลัยอุบลก็ร่วมมือตั้งคณะเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาทีนี้พตั้งเศรษฐกิจพอเพียงก็ใช้เด็กอโศกเนี่เป็นหลักไปเรียนคณะนี้ตั้งขึ้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสร้างชุมชนขึ้นมาเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนักศึกษาของคณะนี้ก็เริ่มอยู่ในชุมชนนี้เป็นนักเรียนประจำอยู่ในชุมชนต่อจากม .6 และก็เรียนปุรมศึกษาต่อก็เป็นนักเรียนประจำอยู่กับเราก็เป็นบ้านวัดโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็เรียน ม ห, หมหาวิทยาลัยอุบลปรากฏว่าเด็กของเรามีเรียนม .6 ได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ละปีแต่ละปีนะปีละปีแรกก็ต้อง20คนปีต่อๆมาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งตอนนี้เขาปิดไปแล้วได้4รุ่นพอดีได้4รุ่นท่านั้น จบปริญญาสี่รุ่นของคณะนี้แล้วเาก็พักเก็บจะด้วยอะไรอาตมาไม่พอพูดถึงมันเป็นเรื่องซับซอ้อนนะได้4ี่รุ่นแต่สี่รุ่นนั้นอาตมาตั้งข้อสังเกตหนึ่งเด็กของเราจากสมาศิษขาเข้าไปเรียนในคณะนี้สอง เด็กที่อื่นก็เข้ามาเรียนคณะนี้เด็กจากข้างนอกนะและเขาก็เดินเรียนคณะนี้แหละเขาก็เดินเรียนเด็กของสมาสิกาเราก็เรียนร่วมกันพอจบปริญญาตั้งแต่รุ่นหนึ่งเด็กของเราได้เกณฑ์นิยมสี่คน เด็กอื่นไม่ได้รุ่นสองก็ได้เกียรตินิยมรุ่นสาก็ได้เกียรตินิยมรุ่นสี่ก็ได้เกียรตินิยมเด็กของเราไม่ได้มากเด็กข้างนอกมากกว่าเแต่เด็กเราได้เกียรตินิยมพวกเราไม่ได้เป็นผู้ให้คะแนนนะไม่ใช่ชาวอโศกไปให้คะแนนนะก็อาจารย์ที่มหาลัยนะั่นแหละเป็นคนให้คะแนน ที่เขาได้เกณฑ์นิยมเนี่ยอัตมาก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าความรู้ของชาวเด็กอโศกที่มีคุณธรรมอันนี้พร้อมที่ไปเรียนอยู่เนี่ยแม้จะไปเรียนมหาลัยก็อยู่กับเราอีกสี่ปีเรียนจบก็เด็กเหล่านั้นจบออกมาและแถมได้เกณฑ์นิยมอย่างที่ว่านี่ทำไมได้เกณฑ์นิยมทั้ง4ี่ปี แล้วในค่ารวมค่าเฉลี่ยด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กของเราทั้งนั้นเท่านั้นถึงยังไม่เด็กของเราทั้งนั้นก็อาจารย์ก็ไม่ใช่เราให้คะแนนเขาเป็นคนให้คะแนนอาจารย์ของมหาลัยเป็นคนให้คะแนนนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะนั้นสรุปแล้วความรู้ทางวิชาการก็ตาม เนี่ยก็เข้ามาหาวิทยาลัยทางโลกพวกเราก็หาวิทยาลัยอื่นก็เรียนกันมันก็จบจบด็อกเตอร์ไปก็ต้องยุติธรรมญาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เด็กของเราจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็ทั้งนั้นน่ะก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเด็กของเราก็เข้าเรียนมาหาวิทยาลัยกับทุกปีอะ่ะจบโมก็ไปเข้าเรียนต่อมาได้ข้างนอกเพราะเรายังมีมาหาวิทยาลัยของเราเขาก็จบกันมาก็ทํางานทําการอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในสังคมแต่ว่าของเรามันเพิ่งจะตั้งมา มันจะมีโรงเรียนของเรามาแค่สิปี20สปีมันก็ยังไม่มีเยาวชนที่จบไปจากเรามากมายนักเอาที่นี้คำตอบว่าทำไมจงเรียนอย่างไรให้จบต้องอดทนหน่อยไม่มีคำตอบอื่นต้องภาคเพียรหน่อยแต่หลวงปู่บอกให้ได้เลยว่าได้ดีได้ดีแน่แน อาจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ได้ดีอดทนเอาภาคเพียรเอาภาคเพียรเอาคือต้องทําความเข้าใจให้ได้นะทุกคนนะในระดับเนี่ยล้านหลานเ ล, น, ลนแล้วนะบางทีก็ต้องเป็นเลนได้อัตมาอายุแปสิบแล้วนี่ยพวกเราเนี่แค่เลน น, น, น, น, น, เ น, ลนั่นแหละเด็กนักเรียนมหกอ็แค่เลนถ้าอัตมาจะมีลูกสักคนหนึ่งนี่นะอย่างอัตมานี่นะ อาตมาเกืบจะมีลูกตั้งแต่อายุก่อนย0สิบแต่ว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนอย่างงันก็เลยไม่มีไม่พูดต่อเพราะทำไมมีแฟนก่อนอายุยี่สิบแต่ไม่ใช่อาตมาเป็นเร็วๆซ้ำๆอะไรถึงจะมีลูกไปทำให้เขาเกิดไประเบิด ทางศิลธรรมไอ้ธามาไม่เคยละเมิดทางศิลธรรมไม่เคยทำชั่วอ้าวสรุปคำตอบไม่ได้ยากแต่พูดถึงเหตุพูดถึงรายละเอียดเขามันให้ฟังว่ามันคืออะไรกันแน่นั่นอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องยากแน่นอน จึงคําตอบก็มีว่าต้องอดทนน่อยต้องภาคเพียรอุตสาหะน้อยจึงจะจบและต้องทําปัญญาให้แจ้งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อตนต่อมนุษย์ชาติเพราะเราจะต้องจําเป็นต้องอดทนจะต้องภาคเพียรศึกษาถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่จบแต่ขอต่ออีกนิดนึงคนที่ไม่จบหลายคนกลับมาร้องไห้ที่ออกไปกลางครัน เนี่ยจะมาไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงออกไปกลางครัน้นนะโดยตนเองตัดสินใจออกเองนั่นแหละเป็นหลักสําหรับคนที่เราให้ออกนะเขาเขาไม่ต้องเป็นอะไรเพราะว่าเขาเองเขาก็ต้องรู้ตัวเพราะเขาอยากเรียนอยู่เหมือนกันแต่เขาเราให้ออกแต่คนที่ออกเองนี่ก็กลับมาร้องไห้หนูไม่น่าออกเลยผมไม่น่าออกไปก่อนเลยไปทัศข้างนอกแล้วก็อนมคิดได้แล้วก็ไม่ควรเลย นึกถึงบุญคุณของที่นี่ข้อภัยนัที่พูดนี่ไม่ได้มายกย่องยกยอบุญคุณเลิกกำลังเลิกอะไรก็หลอกนะเพราะฉะนั้นก็บอกหลานๆทั้งหลายอดทนเอาภาคเพียนหน่อยพยายามทำความเข้าใจให้ดีว่าที่นี่เนี่ยสร้างลูกหลานให้เป็นอนุชนเป็นคนที่ดีไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตจริงๆจริงใจและเชื่อว่าได้ไม่มากก็ น, น้อย รับรองไม่ได้ตกต่ําไม่ได้ด้อยกว่าทั้งโลกกว่าทางข้างนอกเขาแม้แต่ด้านวิชาการส่วนคุณธรรมกับการเป็นงานนั้นขาดทุนอะไรที่เราจะมีคุณธรรมขาดทุนอะไรที่เราจะเป็นงานใช่ไหมเด็กๆตอบสิใช่ไห ม, ก, ไหมก็เราได้มีคุณธรรมให้แก่ตัวเองแล้วเราออกจากนี่ไปหลอ่หลอร้องไม่เราฝึกฝนทํางาน ได้เป็นงานนัน น, นี้ออกไปแล้วขาดทุนอะไรเราไม่ได้ขาดทุนเลยเพราะงั้นอย่าขี้เกียจอย่าอ่อนแออดทนแข็งแรงเข้าไว้แล้วก็ทําปัญญาให้เข้าใจว่าที่นี่นะจะหลอล้อมปลดรองให้เป็นคนที่จเจริญดีไปในอนาคตก็ภาคเพียนอดทนเอานี่คือคําตอบคิดว่าตอบได้ละเอียดมากแล้วนะเนี่ยอ้าทีนี้คนที่ยกมือถามเลยพูดเลย ข่ขาวารค่ะได้ยินไม้มฮะคือจุก็สนใจเรียนนะคะแต่ว่าเรียนจบแล้วแล้วก็ทํางานมีเงินเดือนออตรงนั้นเนี่ยทีนี้พอเรามีเงินเดือนมีอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเออสมบัติที่ได้เนี่ยมันข้ามชาติไม่ได้เพราะว่าเราสนใจว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดมาชาติเดียวเราอยากได้สมบัติข้ามชาติจิก็เลยตัดสินใจเข้ามาศึกษาทางธรรมม า, า, าเรียนที่นี่ค่ ะ, คะ <c oughs> เป็นโรงเรียนแห่งชีวิต อ mm. เสร็จแล้วทีนี้เนี่ย mm. ก็ฟังพ่อแท่นพูดในเรื่องของว่าเอ mm. ไอตัวที่จะทําให้เราสมบัติข้ามชาติได้เนี่ย mm. ก็คือตัวกรรมอ mm. มันไปตามตัวสัญญาที่เป็นกล่องเก็บไปอื mm. ให้ข้ามชาติได้พลังงานตัวเนี้ยค่ะ mm. พอดีจู่ไปอ่านหนังสือเจอว่าเออไอตัวสัญญาเนี่ยมันจะเก็บเฉพาะตัวความรู้สึกแต่ว่ามันไม่เก็บความคิดค่ะทีนี้ เราก็เออเราเนี่ยนะเป็นคนชอบคิดสาระตะบางทีนะคิดจนหัวผุหัวพังแล้วก็สังคมทุกวันเนี่ยเป็นสังคมทีเ่เราใช้ความคิดค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยทำอย่างไรที่เราคิดแล้วเรากระทำเพื่อให้ได้สมบัติข้ามชาติต่อไปโดยที่ไม่คิดอย่างสิ้นเปลืองนะคะ ขอบพระคุณค่ ะ, ะคำถามโดยไปตีความาเอาคําว่าความบบคิดภาษชาวบ้านชาวบ้านนะคะนี่มนเพราะท่านพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะค ะ, ะ, ะโดยที่ไปตีความที่ถามนี่ตีความว่าคําว่าความคิดเนี่ยตีความแล้วนิยามว่าสัญญามันไม่เก็บไ ม, ไม่สะสมมันจะสะสมแต่ความรู้สึกอัอตมาเข้าใจโจทย์ว่างั้นนะใช่ไหมโจทย์ว่างั้น โดยไปตีความว่าความคิดเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าความคิดคืออะไรความ ร, รู้สึกคืออะไรมันจำแต่มันบันทึกลงไปในสัญญาข้ามชาติไปแต่เฉพาะความรู้สึกส่วนความคิดมันไม่บันทึกข้ามชาติโจทย์ว่างั้นอัตมาก็ขอพูดตามความรู้ของอัตมานะว่าความคิดก็บันทึกข้ามชาติ ไม่ได้หมายความว่าบันทึกแต่ความรู้สึกคนที่พูดคนที่เขียนหนังสือนั้นนะ่ะหรือของอาตมาเขียนฮะของใครหนังสือของคนอื่นค่ะอ่า น, นจีอาตมาว่าอาตมาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นหรอกหนังสือของคนอื่นเขาตีความว่าความคิดนี่ไม่บันทึกบันทึกแต่ความรู้สึกอาตมาไม่ได้เข้าใจความคิด เหมือนอย่างเขาคิดแน่อัตมาไม่รู้นะว่าเขาจะตีความความคิดยังไงแต่อัตมาเขาขอตีความตามที่อัตมาเข้าใจว่าเขาคงคิดว่าความคิดนี่คือความฟุ้งซ่านขอบอกเลยว่าแม้แต่ความฟุ้งซ่านก็บันทึกแม้แต่ความฟุ้งซ่านของคุณเนะ่ยเขาบันทึกจิตที่มันบันทึกลงไปในสิ่งที่มันบันทึกลงไปในสัญญาเป็นความจํานี่นะ ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่ค ด, ค, ดคดเจตนาไม่เจตนาก็แก๊กก็แกกอะไรมันลงไปหมดใช่ั้ยชั้นเดียวกันคนที่ไปเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเจตนาหัางพิกเวกัมมังวัฐามิแปลว่าเจตนาจึงจะเป็นกรรมถ้าไม่เจตนา ไม่เป็นกรรมก็คงจะเป็นอันนี้ระมังที่ไปทำให้เขาตีความว่าความคิดนั่นนะ่ะมันไม่มีเจตนาความรู้สึกมันมีเจตนามันก็เลยบันทึกเป็นกรรมกรรมก็คือวิบากที่ทำแล้วเป็นวิบากซึ่งอาตารมาว่าไข้เขวสับสนหมดกรรมนี่นะคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนา ฟังตรงนี้ก่อนการกระทําคือกรรมจะกระทําโดยเจตนาหรือไม่เจตนาแล้วแต่ละกรรมมีสามอย่างหนึ่งมโนกรรมสองวัจีกรรมสามกายกรรมการกระทําใดๆในจิตเรว่ามโนกรรมเพลิดในจิตยังไม่ออกมาเป็นวาจายังไม่ออกมาเป็นกายกรรมส่วนวัจีกรรมก็ออกมาเป็นวาจาส่วนกรรมออกมารวมหมดก็ออกมาทางข้างนอกหมดเลยเรว่ากายกรรม บันทึกหมดเจตนาหรือไม่เจตนาก็บันทึกหมดกรรมบันทึกหมดแต่คำที่ว่าเจตนาหังพิฆเวกรรมมังวะามีน่ะเป็นเรื่องของวินัยผู้ที่กระทำกรรมที่ออกมาจะเป็นกายกรรมและบัจีกรรมที่ทำพิจารณาได้ว่าไม่มีเจตนาเขาไม่ถือเอาผิด เพราะต้องวิเคราะห์วิจัยกันผู้ที่จะทำการวิจัยวิเคราะห์อธิกรณ์ตัดสินความผิดของภิกษุที่ทําผิดนั้นนะออกมากายกรรมได้วมจีกรรมได้แต่ในจิตมีเจตนาไมถ้าไม่มีเจตนาจะทํากรรมนั้นเขาไม่เอาผิดแม้แต่หลงผิดเขาก็ไม่เอาผิดไม่เจตนาแล้วก็ไม่หลงผิดไม่เอาผิดต้องซื่อเข้าไปถึงเจตนา ถ้าซื้อได้วม่เจตนาก็ถือว่าผิดถ้าไม่เจตนาไม่เอาผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นกรรมบันทึกลงเป็นกรรมแค่คุณคิดยังไม่ได้ออกมาไม่ได้มีเจตนาจะมาทําเป็นวจีกรรมไม่ได้ทํามาเป็นกายกรรมเจตไม่มีเจตนาใช่ไหมแต่คุณคิดเป็นแต่แค่มโนกรรมไม่ได้เจตนาจะออกมาทําอะไรเช่นคุณคิดว่าอยากตีหัวเขาคุณคิดว่าอยากตีหัวคนคุณยังไม่ได้ตียังไม่ได้พูดด้วย บันทึกลงเป็นวิบากแล้วเป็นอกักขุสริบากของคุณแล้วมนโนกรรมนี่พอครูคะถ้าถ้าเกิดเรากาลังคิดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตามมันทันเฮ้ยคิดแบบนี้นี่มันชั่วนะมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเลิกคิดเลิกคิ ด, อ, คดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเอาไปเป็นกรรมต่อไหมอีกอ้าวถ้าคุณเลิกคิดเลิกคิดไม่เป็นกรรมต่อสิถ้าคุณเลิกคิดได มันก็ไม่มีเดขนาดคิดคุณยังไม่คิดวัจจีก็ไม่มีกายกรรมก็ไม่มีแล้วมันจะไม่มีอะไรละก็มโนกรรมก็ยังไม่มีคุณไม่คิดมันจะไม่มีอะไรบันทึกละก็ถูกแล้วนี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดแล้วต้องบันทึกเพราะจะไม่ใช่บันทึกแต่ความรู้สึกอยกความรู้สึกนนแนนอนเลยมันต้องบันทึกคุณรู้สึกโกรธก็ต้องไปกิเลสแล้ว กุรู้สึกโลภก็ไปความก็ไปกิเลสแล้วนะมาจากเหตุมันเป็นการปรุงแต่งเป็นสุขปรุงแต่งเป็นทุกข์นั่นเป็นสังขารแน่นอนมันบันทึกก็ไปหยาบกว่าแต่แม้มันยังไม่บันทึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เป็นความรู้สึกสุขรือสุกทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันก็บันทึกถ้ามันเป็นกรรม ยิงเป็นวัจจิกายกรรมกับวัจีกรรมก็ต้องบันทึกแน่อาตมาก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้แค่มโนกรรมมันก็บันทึกแล้วเพราะฉะนั้นพูดกันมาว่าความคิดไม่บันทึกสัญญาความเข้าใจของผู้เขียนนั้นไม่ใช่อาตมาก็าเข้าใจต่างกันส่วนใครจะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกก็เชิญแต่อาตมาเห็นอย่างนี้ ส่วนคุณไปอ่านของคนนั้นมาเอาถามอัตมาอัตมา ก, ก็ตอบความเห็นของอัตมาถ้าจะให้อัตมาชี้อัตมา ก, ก็บอกคนพูดนั้นยังไม่เข้าใจถึงขั้นกรรมไม่เข้าใจถึงขั้นสัญญาด้วยสัญญาละเอียดมากอัตมาอธิบายสัญญาอยู่ทุกวันนี้ตามฟังให้ดีเถอะก็อพอได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากใช่สิ เพราะว่าไอ้ความคิดแต่ก่อนเราคิดว่าเออคิดไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ใไวันนี้ม่นมียาเลยบันทึกแน่ฟุ้งซ่านกับบันทึกบอกแล้วค่ะกล่าวก็ว่าคุณค่ะเข้าใจโนมั่งค่ะอ้าวๆเลยค่ะนมัสการพระครูค่ะแล้วก็นมัสการท่านสมณะศิฆมาศีค่ะ ก็มาคิดว่าเอวันนี้พ่อท่านุสหาเปิดโอกาสเออไออุ่นให้เนาะกับชาวปทถมสกแล้วก็ค น, น, กนตกๆนี่มันควรมาอุ่นกันหน้าค่ะแล้วเห็นลูกๆหลา น, ลานมากันหลายพุทธสถานนะค ะ, ะก็รู้สึกว่าอยากจะถามอะไรที่เกี่ยวกับลูกๆหลา น, นเอ า, <ม>าเลยคือมันมันมีฟันมรู้สึกว่าในบางในบางครั้งแต่ละฐานงานก็จะมีเด็กใช่ะที่เขาขอเด็กไว้เนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยมาตรฐานของแต่ละ เด็กเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันบางคนก็มีความขยันมากบางคนก็มีความขยันน้อยแล้วก็บางทีมันจะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างเด็กขยันมากกับเด็กขยันน้อยแล้วก็บางทีมันจะเกิดการที่ว่าเออทให้แบบใจใจของของผู้ใหญ่ค่ะคือที่น้าดินจะพูดถึงคือใจของผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ความเมตตาให้มันเสมอภาคอะค่ะบางทีพอมันมันฝังใจว่า คนนี้มันรู้สึกว่ามันไม่เข้าค่อยเข้าขายหรือว่าเข้าตาอะไรเงี้ยไม่อยากจะดูแลไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะใส่ใจอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกของของของน้ําดินนะคืออยากว่าให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปตลอดรอดฝั่งอยู่กับเราไปจนจบม .6 อะคา่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่โทษเด็กแต่คือจะมาโทษผู้ใหญ่ว่าทําไมเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราไม่ให้ไปตลอดรอดฝั่งบางทีมันมีตัวคล้ายๆว่า พะฉันไม่ชอบใจแล้วฉันก็จะไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เด็กเนี้ยเซแล้วก็ไม่ไม่ช่วยคชอนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นฐานงานเนี้ยเด็กจะอยู่ในฐานงานเนี่ยค่อนข้างมากเยอะใช้เวลาอยู่กับแม่ฐานเนี้ยพะฐานเนี่ยค่อนข้างหลายชั่วโมงบางทีมันก็จะมีจิตคือพูดถึงจิตของของคนผู้ใหญ่ว่าเราทำยังไงถึงจะให้ความรักความเมตตาเขาไปตลอดรอดฝังพากันให้จบมหกให้ได้อะค่ะ แก้ใจต ร, ตรงเนี้ว่าไม่ให้มีการลำเอียงลำเอียงว่าคนนี้ฉันรักคนนี้ฉันไม่ชอบเพราะเด็กคนเกเนี้ทําเกเรนิสัยดือ้อนิสัยแบบฉันไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยก็จะผลักใสไล่ส่งไปอะไรเงี้ยค่ะจะทํายังไงว่าก็ไหนๆเขามาอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องประคับประคองหรือว่าคุยหรือว่าต้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะท่านจะให้คําแนะนํำยังไงฮะก็คงจะเหมือนเหมือนกันกระทิษถามว่าทํำยังไงให้เด็กเรียนให้จบนั่นแหละ มันเป็นเจตนาดีเป็นความเข้าใจเข้าใจนะอย่างรายที่ถามคุณคู่ฟ้าถามแทนเด็กว่าจะทำยังไงถึงจะจบนะหรือว่าคุณที่ถามปัจจุบันนี้ตอนนี้เหมือนกันที่นำดินถามมาว่าจะทำใจยังไงมันก็เป็นปรารถนาดีเป็นความเจตนาดีอยากจะให้มันเป็น ที่ถามนี่อาตมาก็เชื่อว่าก็คงจะเข้าใจตัวเองแล้วก็จะพยายามทําพยายามอยู่แต่รู้สึกอาตมาเดานะดาว่าก็คงจะรู้สึกว่าเออตัวเองบางทีก็มีลําเอียงบ้างไอคนนี้มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่อยากจะมาช่วยมันไอคนนี้ก็เออแล้วก็บรดีก็ช่วยเราขาดตรงนี้หรือเปล่าระบบพร่องตรงนี้หรือเปล่าก็เลยถามเนี่ยอาตมาเดานะว่าจะมีใจอย่างไนหรือเปล่าไม่รู้ ก็เลยถามอาตมาว่าจะทำยังไงมันที่จะแก้จิตตัวที่บกพร่องตัวนี้ใช่ไหมอาตมาก็เลยเนาไว้อย่างนั้นอาตมาก็ได้แต่ว่าจิตเจตนาหรือเกิดปฏิภาณของคุณนั้นดีแล้วละ่ะที่อยากจะทำไม่ให้มันมีคารลำเอียงจากจะได้ช่วยเด็กอย่างนั้นจะทำยังไงก็ต้องหาความจริงเห็นความจริงแล้วก็พยายามเปลี่ยนจริงจิตเรามันยังมีลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงราังไม่ง่าย เรียกว่าชั้ตาคติหรือโทสากตินี่ก็ตามมันลำเอียงนะลำเอียงได้หรือลำเอียงเพราะกลัวมันลำเอียงมี4ี่นั่นแหละชันตาคติโทสากติแล้วก็โมหากติแล้วก็พยาพยาคติแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันลำเอียงนะก็รู้ว่ามันไม่ดีลำเอียงไม่ดีคุณก็พยายามทําด้วยปัญญาทําปัญญาให้เข้าใจให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น กำลังของปัญญาจะทําให้เราเองไม่ละค่อยลําเอียงอ่ะจะลําเอียงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแม้คนที่เราไม่ค่อยชอบใจคนที่รู้สึกว่าโอ้ยคนนี้เนี่ยมันไม่อยากช่วยไม่อยากจะอะไรก็ควรจะคิดกลับคนชั่วเนี่ยเป็นคนน่าช่วยเหลือแต่คนดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่น่าช่วยเหลือ ก็ไม่ต้องไปช่วยเหลือเขามากก็ได้เพราะเขาดีใช่ไหมล่ ะ, ะแต่คนชั่วเนี่ยมันต้องควรช่วยเหลือให้เขาดีขึ้นบ้างไม่ฉะนนั้นมันก็เสียตัวเขาแล้วก็เสียสังคมแต่คนดีน่ะเออมันไม่เท่าไร่มันก็ดีมันก็ไม่ได้ทำลายสังคมมันก็ไม่ได้ทำลายตัวเองเท่าไร่แต่จะให้ดียิ่งขึ้นก็เอาก็ไม่ว่ากันแต่ก็ยังสรุปแล้วว่า คนชั่วหน้าช่วยเหลือกับคนดีใช่ั้มคิดให้เห็นสิคิดให้เข้าใจสิขออภัยนะในพูดความจริงนะอัตมาที่ทำงานได้ตัววันนี้เพราะอัตมาเห็นใจคนชั่วอัตมาไม่เคยเห็นใจคนดีหรอกอเพราะคนดีเนี่ยเป็นคนที่อนุโมทนาแล้วเขาไม่ได้ไปทำให้บ้านเมืองเขาไม่จะททำความทุกข์ความยากให้แก่ทั้งสังคมและตัวเอง หรือก็ทําก็น้อยก็แล้วแต่เขาดีมากดีน้อยก็เอาเป็นบ้างนั่นใ น, น, น, น, นารายละเอียดแต่บางคนก็ดีแต่คนชั่วสิเห็นอยู่หลัดหลมันน่าช่วยแต่นั่นแหละไอ้คนชั่วที่มันช่วยยากนี่แหละหมมันไม่มันช่วยยากแล้วมันก็เสียเวลาเราจังเลยพระพุทธเจ้จาจึงตัดรอบว่าเราดูตนเองประมาณตนเอง ถ้าเราจะช่วยคนนี้เนี่ยหนึ่งเขาศรัทธาเราเพียงพอไหมถ้าศรัทธาไม่เพียงพอไม่เพียงพอถึงขนาดว่าถึงเราจะช่วยยังไงเขาตีเราทิ้งแน่นอนก็จะเสียเวลาสองแม้เขาไม่ศรัทธาเราถ้าคุณท่านใช้สับจํานนว่า แทรกโอสถเข้าในขุ้มขนท่านจะสํานวนนี้แม้เขาจะไม่ศรัทธาเราเราก็ควรจะต้องมีใจเมตตาแล้วแทรกโอสถเข้าในคุ้มขนหมายความว่าให้เขารู้ให้เขาได้บ้างอย่าไปชังไปเกลียดเขาเลยมันน่าสงสารช่วยไม่ได้แล้วล่ะพูดตรงๆยังไงเขาก็ไม่ฟังเขาไม่เชื่อหรอกหรือเราไม่ได้อยู่ในฐานน่าจะให้เขาเลย อาตมาเนี่ยเป็นคนทำงานไม่อยู่ในฐานะจะสอนธรรมะกับใครเลยโดยเฉพาะผู้รู้ทางธรรมะเขาไม่เอาอาตมาสักคนก็าหาอาตมานอกรีเขาอาตมาหาอาตมามาทำลายศาสนาใช่เพราะอาตมาไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีท่าที่จะไปสอนธรรมะให้ใครได้อาตมาจึงอยู่ในฐานะลำบากก็พยายามภาคเพียรหนึ่งที่อาตมาทางานเนี่ย คนมีบารมีของตัวเองฟังอาตมาเข้าใจรู้เรื่องสองคนสแสวงหาที่สแสวงหาแล้วเปิดใจปรตโตโคสะัะฟังแล้วโอ้ได้แม่เขาจะมีมีบารมีพอก็ตามแต่เขาเป็นคนที่ไม่มีกิเลสมากมีปรตโตโคสเขาคนเลยได้ส่วนคนที่ไม่มีปรตโตโคส นไม่มีปัญญามากแน่นอนไม่มีทางได้ของอาตมาอาตมาจึงมีบุญมีผลมีประโยชน์มากตรงที่ว่าได้คนที่หนึ่งมีบารมีสองคนมีปัญญาแสวงแสวงหาและมีปัญญาไม่ไม่มีกิเลสกั้นตัวเองมีประตโคศะคือฟังผู้อื่นแม้อาตมาจะถูกด่าถูกกันถูกประประกาศนิยกรรมว่าอย่ามารับอาตมา เขาก็ยังเปิดจิตปรโตโคโะเขาจึงโยนิโสมนสิการเป็นเขาจึงฟังรู้เรื่องอ๋อโยนิโสมนสิการได้เป็นอย่างนี้เลยเข้าใจขึ้นเขาจึงมาเอาเขาก็จึงได้โยนิสโสมนิโสมนสิการคํานี้เป็นคําหลักของศาสนาเลยในประไตรปิฎกเล่ม16เนี่ยสูตรหนึ่งโดยเฉพาะเลยผักผักคุณสูตรยืนยันเลยว่าโยนิโสมนสิการเท่านั้น พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเรื่องโยงนิสูมนสิกการในสูตรที่ไล่พระพุทธเจ้าองค์กรๆมาสําคัญตรงโยงนิสูรมนสิกการทุกพระองค์เพราะงั้นถ้าใครโยนิสูรมนสิการไม่เป็นไม่ถูกต้องเช่นขณะนี้เข้าใจโยนิสูรมนสิการเพียงแค่ความเข้าใจเป็นความการพิจารณาให้ท่องแท้ซึ่งผิดเลยโยนิสูมนสิการคือการทําใจเป็น แล้วทําให้มันเป็นโยนิโสทําให้มันท่องแท้ทำให้มันไม่แยกคายทําให้มันลงไปถึงที่เกิดแต่ไปอธิบายได้แค่ผิวๆเพื่อนๆแค่เข้าใจให้ดีพิจารณาให้ดีแต่ไม่มีการกระทําใจเลยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงศูนย์โยเพราะโยนิโสวรตถการไม่มีเขาทําใจในใจไม่เป็นทําใจในใจไม่สมาธิิ thành, จึงฟังไม่รู้เรื่องเลย ไปยึดมั่นถือมั่นในการทำใจในใจคือนั่งหลับตาสมาธิโดยไม่ฟังปรตโตโคษาเลยอาตมาเอาพระเะเป็นดกมายืนยันในมหาจัตตาริสกสูตรเป็นหลักว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่คุณไปนั่งหลับตาเอายืนยันอย่างดีนะในพระเะเป็นดกมีพระเถรปิดกเล่ม14มหาจัตตาริสกสูตรซึ่งปฏิบัติธรรมสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปนั่งหลับตาธรรมะเจองค์ ลืมตาทั้งทั้งที่ทำอาชีพทั้งทั้งที่ทําการงานทุกอย่างทั้งทั้งที่กําลังพูดทั้งทั้งที่สังคปะต้องปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมเป็นผลธรรมสังสงเป็นสมาสมาธิเทตมาอธิบายมาตลอดเวลาจนเขาตั้งถึงวันนี้เขาก็ยังยืมมั่นถือมั่นไอ้ที่เขาว่านี่แหละเพราะเขาไปเชื่อว่าอนนท์ถูกอัตมาเป็นคนนอกฤทธิเพราะฉะนั้นอัตมาจึงไม่ได้คนโง่มาศึกษาตามมันมีบุญนัอัตมาเนี่ย คนโง่ไม่ศึกษาตามกับคนไม่เปิดจิตไม่มาแต่คนเปิดจิตมาเป็นระโตโคลส์เลยรู้เรื่องว่าอ๋ออาตมาอธิบายนี่มันการทําใจในใจหรือทําสมาธิทําฌานทําให้เกิดปัญญาเป็นอย่างงี้นี่อาตมาอ่านจากคอลัมน์ทางหนังสือพิมพ์เมื่อวันทั้วันเนี่ยคอลัมน์หนังสือพิมพ์ไร้วันนิวยอร์กคอลัมน์หนึ่ง ไม่พูดถึงไม่ว่าเขาแต่ว่าเรื่องเนื้อหาเขาก็เขียนคอลัมนี้ประจําเรื่องของเกี่ยวกับธรรมะในเขาเขียนเรื่องธรรมะในนี้แล้วทับเขียนลึกนะเขียนปรมามัดเขียนเรื่องสมาธิเขียเรื่องวิมุติเขียนเรื่องอะไรแต่ไรเขียนเรื่องอัตตาอนัตตาคราวนี้เขาก็เขียนผ่านมายงหยกเนี่ยที่เขก็ยังเข้าใจอยู่ว่าที่อาตมาอ่านแล้วตกะทั้งนั้นเลย อัตตาอนัตตาที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรน่าสงสารเขาไม่รู้ความเป็นอัตตาเลยวันนี้สู่แดนทาสรุปทิฏฐิสิบแม่ธรรมเอ้ทิฏฐิองตมาะเสื้อธรมาก็เห็นได้ว่าเออตมาตั้งใจจะอธิบายอยู่ในทิฏฐิ62นั่นก็คือไม่รู้จักอัตตากับโลกเป็นหลัก แต่เขาบอกว่าอัตตาไม่ต้องไปเรียนใครไปเข้าใจว่าอัตตามันมีคนนั้นก็มิชาติทิฐิแล้วก็อัตตามันไม่มีมันไม่ใช่อัตตาอัตตาสเปตมาอนัตตาอัตตามันไม่มีมันไม่ใช่อัตตาใครไปเข้าใจว่าอัตตามีข้าพเจ้าต้องเรียนรู้อัตตาในสุริยปยานสูตรก็ต้องเรียนรู้อัตตาในข้อที่สถ้าคุณไม่มีอัตาก่อนคุณไม่มีแสง อรุณก่อนที่คุณจะปฏิบัติมรรคองแปดคุณยังมีความเข้าใจว่าอัตตาคืออะไรอัตตาต้องมีพื้นฐานของความรู้อัตตาซะก่อนในแสงอรุณเจต้องมีมิตรดีต้องมีฉันศีลต้องมีฉันทะต้องมีอัตตาตระรู้อัตตาต้องมีความรู้อัตตาต้องมีทิฏฐิสมาทิฏฐินะต้องมีความไม่ประมาทต้องมีโยนิโสมนสิการ หลักสุ ร, ยริยปยานต้องมีความรู้ความเข้าใจนี้ถูกต้องก่อนคุณถึงจะปฏิบัติมรรคเจ็ดองได้นี่สุ ร, ยริยปยานเจ็ดนี้ก็สําคัญไม่มีพื้นฐานในนี้ถึงเลยสุดโยนิสโสมนสิการไม่เป็นมาปฏิบัติมรรคองแปดยังไงก็ไม่เป็นเพราะไปหลงผิดประสมารสมาธิก็ต้องไปนั่งหลับตาส่วนมรรคองคปดก็ปฏิบัติป้อยมรรคอีกเจ็ดอก็ปฏิบัติเลอะเทอะไป ไม่ได้เข้าหลักเข้าลอยไม่ได้เข้าไปสั่งสมมาเป็นสมาสมาธิเพราะไปหลงยึดอยู่ว่าสมาธินั่นคือนั่งหลับตาสมาธิคือนั่งหลับตาเพราะจะปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนกายคตาสตินั่นก็คือจะต้องมีอาณาปานาสติควบไปด้วยแล้วมีสติปัตยามันเป็นตัวบทปัจจุบันอาณาปานาสติกับกายคตาสติในเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ในการทําสติเมื่อทําสติ มีสติคุณก็ต้องปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ในกายคตาสติให้ถึงอาณาปานาสติ16แต่เขาเข้าใจไม่ได้และปฏิบัติอย่างเงี้ยจะเกิดสมาสมาธินี่แหละกายคตาสติอาณาปานาสติและสติปัฏฐานสีนี่แหละปฏิบัติอย่างลืมตาอย่างถูกต้องนี่แหละคือการทำฌานทำสมาธิของพุทธเจ้าแต่เขาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสมาธิคือนั่งหลับตา โดยไม่เปิดจิตปรโตโตคศะไม่เปิดรับฟังคนอื่นความเห็นคนอื่นเขาจึงเข้าใจไม่ได้เพราะไม่เปิดมันจะเข้าได้ไงเล่า <c oughs> คุณอาจจะเปิดหูแต่คุณไม่เปิดใจมันก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้เข้าถึงคุณไม่ต้องคิดเลยไม่มีทางคุณจะเข้าถึงคจะบรรลุเพราะคุณเปิดแต่หูฟังอย่างอาบน้ำกลัวเปียกหูฟังดงดีบางคนไม่ฟังด้วย ฟังไปทำไมเสียหูฟังโพธิรักคนขบวดต่อศาสนาพุทธไปฟังทำไมอาตมาก็ได้แต่สงสารอาตมาไม่กลวว ไ, ไม่เกลียนะใครชังอาตมาใครเข้าใจอาตมาผิดยิ่งหน้าสงสารนี่อาตมาพุทธไี่ปุ่พูดเล่นไม่จะพูดทำโก้พูดจริงมีใจจริงอย่างนั้นไม่งั้นอาตมาไม่ทนสอนมาตั้งส0ิบกว่าปีแล้วปานนี้หรอกยังร่าเริงเ บ, บิกบานด้วย ไม่ได้เคยห่อเหี่ยวไม่ได้เคยทอดแท้นะเนี่ยตมาก็วิเคราะห์วิจัยไปไกลให้ฟังนะัจริงๆแล้วนี่คนชั่วน่าสงสารสรุปเพราะฉะนั้นคุณเห็นเด็กไหนไม่ดีก็อย่าลำเอียงนี่สรุปรงมาหาคำตอบต้องทำใจอย่างนั้นนี่สรุปรงมมาก็ตอบไปแล้วเราจะสรุปอีกทีนึงมันเป็นปจริงคนเรามันก็อย่างนั้น่ะมันก็ต้องทำใจมันต้องฝึกเออ อถามเราเอาไมโครโฟนให้ครับกาบนาบัณการพ่อท่านนะครั บ, รบผมหมอเกลียงศักดิ์จากใหญ่วันนี้ก็ถือว่ามีบุญที่ <c oughs> ได้มาพบพ่อท่านแล้วก็ถือโอกาสก็ได้มาช่วยตรวจสุขภาพให้แล้วก็วันนี้ก็ ขอบคุณมากเลยที่ได้มาฟังธรรมของพระท่านพอพูดถึงเรื่องบุญบัตรกีพระท่านก็ได้เกริ่นนาว่าบุญกับกุศลมันต่างกันต่างกันเป็นเรื่องของโลกุตละกุศลเป็นเรื่องของโลกียะข้อยากให้พระท่านช่วยยกตัวอย่างเปรียบเทียบดูว่าอะไร จึงเรียกว่าบุญอะไรจริงเรียกว่ากุศลเรื่องบาปนี้คงง่ายที่อย เ, อเข้าใจเอาเงินส้นเลมนี้ให้หม อ, อไปนะเดี๋ยวลืมให้ ไ, าาไปเลย <laughs> แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้มาเดินดูใช้คําว่าเป็นกิจกรรมที่ของอโศกนะครับซึ่งบอกว่าได้ไปหลายที่ละสันติอโศกปฐมอโศกราดทานีอโศกแล้วก็ศรีสะอโศกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ชื่นชมอย่างมากก็คือก็น่าจะได้ไป ทะเลธรรมด้วยมั้งอยู่ใกล้ฮะยังยังไม่ได้ไปโอ้อยู่ใกล้แต่ไม่ได้ไปไปเกล็กินอะอยู่ใต้แต่ไม่ได้ไปเทเนทะเลธรรมเนาะ <laughs> สิ่งที่ผมชื่นชมและอยากนํานเสนอตรงนี้ก็คือผมเป็นคนคนนอกที่ไม่ได้เป็นชุมชนชาวาโศกแค่เรื่องปุ๋ยที่ผลิตจากของชุมชนอโศกนําไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็จเจริญงอกงามพืชผลก็ มีผลผลิตออกมาดีมากผมก็เลยนึกถึงว่าอันนี้ขนาดปุ๋ยชุมชนอโศกยังสามารถผลิตแล้วทาให้ต้นไม้เจริญเติบโตไม่ใช่มันยังเป็นชื่อมันปุ๋ยงอกงามเฉยๆเหรอมันงอกงามจริงๆมาเลยใช่ครับผมก็เลยมองว่าถ้าพ่อท่านผลิตคนออกไปสู่สังคมผมเชื่อว่าสังคมนี้จะเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเลย ผมก็เลยมองเห็นสัมาสิกขาโรงเรียนที่พ่อท่านได้สร้างขึ้นมานั้นผมจะพูดอย่างโทษทีนะอย่างน้อยไป <laughs> ผมเป็นคนภายนอกผมยังชื่นชมเลยว่าโอ้โหถ้าเด็กนักเรียนเหล่านี้จบมานะผมบอกได้คําเดียวนะครับว่าบริษัทร้านค้านี้จองตัวตั้งแต่เรียนเลยผมว่าเ <laughs> พราะอะไรครับเพราะวันนี้พวกบริษัทร้านค้าทั้งหลายเอื้อมและอามา ก, กับผู้ที่จบจากพวก โรงเรียนที่เราเห็นเห็นกันน่ะคือการศึกษาก็ไม่ใช่ว่าจบเพราะศึกษาจริงๆก็เรียกว่าถ้ามีจ่ายครบจบแน่ทำลักษณะนี้เสือนเรื่องคุณธรรมไม่ต้องพูดถึงแต่เมื่อได้มาเห็นนักเรียนน้องๆตรงนี้ไปแล้วผมว่าแค่ประกาศทั้งนั้นว่ารุ่นนี้จะจบคนกี่คนนะมันเหมือนกับนักศึกษามหาลัยฮาร์วาร์ดอ่ะเขาจองตัวตั้งแต่เรียนปีหนึ่งเลย ผมว่าที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเราสามารถผลิตในสาขาที่เอาง่ายๆนะครับในฐานะทนี่จริงที่หมอพูดจริงของเรามีอาชีวะเด็กอาชีวะของเราจบนี่เขาไปจองเลยผมก็เลยบอกว่ายัาง <c oughs> น่าจะเปิดเป็นมหาเลยเราพยายา ม, ม <c oughs> เปิดแตทางการเขายัง ไ, ไม่อนุมาติให้เรางั้นก็ผมว่าเอาแค่วิทยาลัยก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นมาก็พยายามอยู่ครับ <c oughs> และผมก็ขอประวานาตัวเลยนะฮะถ้ามีอะไรที่ผมจะมาเป็นเรี่ยมสอนได้ินดที่จะมาสอนก็คงได้ทางด้านสุขภาพขอบคุณมากเลยตรงนี้ก็เลยอยากจะเรียนนำเสนอท่านเพราะผมชื่นชมมากว่าน้องๆที่นี่ยังเสียดายว่าถ้าออกไปสู่สังคมโลกภายนอกนี่นะฮะมันจะสามารถเหมือนกับที่เราส่งปุ๋ยออกไปข้างนอกเห็นไหมฮะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม เห็นจะไหนถ้าคนของสันติอสงค์ออกไปยิ่งทำให้สังคมเนี่ยนเครยบเป็นสังคมที่ที่เราใฝ่ฝันที่อยากให้มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะปริมาณไม่มากแต่มันก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ก็เรียนวกกลับมาคำถามแรกว่าสิ่งที่ท่านสร้างนี้ เป็นบุญหรือกุศล ห, หรือเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งบุญและเป็นทั้งกุศลนะครับ <อา S 1> ดีดดขยาย ค, ความไปด้วยได้ขอบคุณมากครับสรุปง่ายๆนะตอบคำถามเบื้องต้นง่ายๆก่อนว่าหนึ่งบุญนี่เป็นภาษาภาษาธรรมะเลยภาษาธรรมะคำว่าบุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันล็อกไว้เลยว่าเป็นโลกุตระ อัตอมาคงขยายความโลกุตระโลกิยาไปอีกไม่ไหวนตอนนี้เวลามันตอบประเด็นเท่านั้นมันมันจะยาวโลกุตระหมายความว่ามันเกิดบรรลุธรรมหรือมันได้เข้าปรมัตเข้าละกิเลสในเรื่องบุญบุญแปลคำตรงตัวของท่านเลยแปลว่าการละกิเลสกำจัดกิเลสเพระนาะฉะนั้นหน้าที่ของคำว่าบุญ เป็นหน้าที่ของคนที่จะกระทำการชำระ ก, กิเลสถ้าชำระ ก, กิเลสได้เรียกว่าได้บุญหรือเรียกว่าทำบุญเป็นแต่ถ้าชำระ ก, กิเลสไม่เป็นทำกุศลนี่แปลว่าคุณงามความดีเพราะฉะนั้นคาว่าความคุณงามความดีมันไม่ได้ลักกิเลสมันเป็นโลกีทำทานก็เป็นกุศล กตัญญูกะตะเวทีก็เป็นกุศลนะอะไรต่างๆสงเคราะห์ใจอย่างน้นอย่างนี้ต่างๆคุณงามความดีสารพัดสารเพหแหละตามสมมติอีกด้วยเยอะแยะคำว่ากุศลนะแต่ถ้าไม่มีการละกิเลสไ ม, ไม่ทำให้กิเลสลดได้คุณทำดีนั้นเป็นความดีแต่ไม่รู้จักตัวกิเลสและทำให้กิเลสลดละจางคลายลงไม่ได้ ต้องมีปัญญารู้ว่านี่คือกิเลสนี่คือการประหารกิเลสมีประหารห้าเป็นต้นตั้งแต่วิคำพนปปะหารที่พอเข้าใจกันอยู่ง่ายๆและก็ทำกันอยู่แต่ไม่รู้ตัวไม่เข้าใจเพราะแต่วิคำพนปปะหารที่ไม่มีปัญญาประกอบมันไม่ทาวลนะมันไม่ถ้าวล ม, ไมามได้ชั่วคราวอ่นิ่เป็นรา ย, รา ย, รายละเอียดสรุปแล้วคำว่ากุศลเนี่ย มันเป็นความดีงามทั่วไปทั้งหมดทั้งโลกเข้าใจได้แต่บุญเข้าใจไม่ได้ทั้งโลกไม่เป็นสาธารณะกับปุถุชนเป็นความรู้เฉพาะาศาสนาพุทธต้องมีปัญญามีสังโยชน์บรรลุสังโยชน์รู้จักตั้งแต่การประชุมของจิตกับข้างนอก เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายกับวัตถุรูปดินน้ำไฟลมสิ่งของข้างนอกทั้งหมดเมื่อสัมผัสกันเกิดวิญญาณเรียกว่าเกิดจิตหรือเกิดวิญญาณแล้วจับจิตวิญญาณอ่านจิตอ่านวิญญาณเป็นเรียกว่ามีปรมัตาธรรมหรือมีอภิธรรมอ่านจิตเจตสิกรูปนิพานแยกออกจับตัวตนของจิตได้ก่อนเรียกว่ารู้จักสกายะเป็นองค์ประชุมของตนที่เป็นตัวนามธรรมเรียกว่านามรูปรู้ตัวนี้ 2 ส, สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นทําให้กิเลสรู้ไม่ใช่ทาให้หรอกอ่านวิเคราะห์จากตัวจิตที่เป็นสักกายะเนี่ยองประชุมองจิตเนี่ยแล้ววิเคราะห์จับตัวกิเลสได้จนแน่ใจพ้นวิจิกิจฉาจนแน่ชัดว่าตัวนี้คือตัวจัประหารเรียกว่าพ้นสังโยคข้อที่สองแล้วก็มีวิธีประหารมีศีพลพรดมีวิธีประหาร ถูกต้องตามทิฏฐิของพระพุทธเจ้าสมาทิฏฐิก็ประหารลงไปประหารได้เรียกผลสิรปัติปรามาสก็จะได้ผลเป็นโซดาบันแล้วผลสังโยชน์สามผู้ทำได้อย่างนี้คือผู้ทำบุญสำเร็จบุญมีบุญเพราะฉะนั้นสรุปถ้าทำบุญคือละกิเลสอย่างนี้แหละ เป็นโซดาบันเป็นสกิตาคามี่เขาสรุปเลยนะเป็นอนาคามีไปตามลำดับจนเป็นอรหันต์หมดกิเลสเลยสิ้นกิเลสก็เรียกว่าหมดบุญหมดบาปหรือหมดกิเลสเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปภาษาบาลีว่าปุญญปาปะปริคีโนแปลว่าสิ้นบุญสิ้นบาปไม่ต้องมีบุญมีบาปอีกคนนี้เป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นคนสิ้นบุญไม่ใช่คนตายแต่กิเลสตายสนิทไม่เกิดอีกเป็นอรหรันต์ เพราะฉะนั้นบุญก็ไม่มีแล้วคนนี้ไม่มีบุญแล้วนี่คือความต่างชัดเจนกับกุศลคนยิ่งมีบุญคนยิ่งเจริญทางอริยเป็นโสดาสกิทากนาคาอรหันต์เพราะบุญเป็นความหมายของการชาระกิเลสอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้คนไทยเอาบุญไปเป็นความหมายของความดีงามเหมือนกุศล แล้วก็เลยเป็นหลอกคนว่าจะได้บุญจะได้บุญจะได้บุญทั้งๆที่ไม่เข้าใจบุญเลยทําบุญสอนคนบุญนั่นละกิเลนไม่เป็นเลยแต่เอาบุญนี่ไปค้าไปขายอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเข้าใจโฆษณาบุญใหญ่บุญมโหสศานซึ่งมีแต่แค่กุศลความดีงามแล้วก็ปรุงแต่งเป็นวิมานบุญมหาศาลเลยเลยซ้อนหลอก คนเลยหลงว่าคนมีบุญมากคืออาจจะมีความดีงามมากได้แต่ทิ้งโลกรุตรธรรมเพราะทำลายคำว่าบุญคำเดียวนี่ชําระไม่เป็นมีแต่กุศลเท่านั้นศาสนาเพราะพระพุทตั ว, วันนี้มีแต่กุศลไม่มีบุญเพราะสอนบุญไม่เป็นสอนโลกุตระไม่เป็น อีประเด็นหนึ่งหมอฝากทิ้งว่าแล้วเด็กที่นี่เรียนที่นี่การศึกษาสมาสิขาได้บุญหรือเปล่าหรือได้แต่กุศลเด็กที่นี่ได้โดยปริยายได้บุญได้การชำระ ก, กิเลสเป็นโดยปริยายบางคนเขาเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีบอกให้ว่าเป็นอาริยะได้เด็กแต่เขายังไม่ชัดเจนในบรญยัติในภาษาที่จะมาเรียบเรียงบอกว่าให้ เ, เขาได้หรือเปล่า แต่จิตของเขาได้จิตของเขาได้ก่อนขอเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้แล้วแม้จบออกไปแล้วเขาก็เป็นคนดีของสังคมทุกวันนี้ยี่สิปีแล้วสมาสิกขาตั้งมาเด็กของพระสงฆ์ยังไม่เคยว่าไปก่อเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลยังไม่เคยมีจะไปตีกันวันฟันแทงมันอย่างเด็กที่มันเกรกลัวเข็นข้างนอกไม่เคยมี ยังไม่เคยทํายังไม่เคยทําชั่วแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เด็กที่ดียินได้รับความยกย่องเจือจุก็มีให้เป็นหลักฐานยืนยันเยอะแยะไปสรุปแล้วบุญกับกุศลนั้นบุญเป็นโล ก, กุตระที่ศาสนาพุทธเพียนและเสื่อมไปจองกระตัง้งไปแปลปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและอเนจรชาพิสังขารผิดแม้แต่ในกระแสหลักอยู่ในพจนานุกรม ของบาลีไทยเพราะฉะนั้นการศึกษาเข้าใจความสาคัญของคำว่าบุญผิดจึงจบศาสนาพุทธไม่มีแก่นไม่มีศาสนาที่เป็นโลกุตระคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธถึง95เจึงไม่มีคุณสมบัติของพุทธนอกจากไม่มีแก่นไม่มีคุณสมบัติของพุทธแล้วก็ไม่ได้นับถือศาสนาอื่นที่เขาแข่งรันหลักธรรมที่อื่น และเป็นศาสนาที่อิสระด้วยพุทธนีิอิสระถ้าศาสนาอื่นเขาจะเคร่งคัดในประเพณี<ม>เ ค, คร่งคัดในหลักวิชาเคร่งครัดในประเพณีจารีตเคร่งครัดในศีลในธรรมของเขาอย่างมุสลิมนี่เป็นต้นเขาจะเคร่คงคัดเข้มงวดเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อหนักนะแต่พุทธบังคับไม่บังคับให้เชื่อเลยอิสระเพราะฉะนั้นพุทธจึงหลวมและเสื่อมมากหนึ่ง แก่นของตัวเองก็ไม่ได้สองหลักที่จะได้ความดีเพราะถูกส ำ, สำทับหรือถูกบังคับในตัวก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็เลยร่อนอะไรล่ะบำเบอกิเลสตัวเองตามใจชอบความเสื่อมของชาวพุทธจึงเยอะหาแก่นสารไม่ได้จะดีเหมือนของศาสนาอื่นตามที่เขา คิดเขายังไปโบสถ์กันบ่อยๆแต่พุทธดัมมาวัดมาเอาเดระฉานวิชามาจะมาหาลาภหายุทหาสันเสริญมาแล้วก็ผู้สอนก็มอมเมากันอย่าง ก, กระถินนี่อาตมาเรียกกระทะทองแดงเขาพอออกพรรษาต้มกระทะทองแดงกันทั่วบ้านทั่วเมืองคนตกนรกกันอยู่ในกระทะทองแดงนั้นจมในกระถิ่นเนี่ย ข said, ้อแพย่จะมาพูดแรงพูดชัดพูดจัดเห็นแล้วน่าสังเวชใจโฆษณาหาเงินหาทองปลมประล่าให้คนขี้โลภอยากได้บุญแล้วเอาบุญมาหลอกนะสร้างวิมานบุญไม่หมดแล้วโอ้โหกระิ่นนี่บุญใหญ่บุญโตบุญขนาดมากเนี่ยยิ่งเงินมากเท่าไรยิ่งบุญมากเท่านั้นเงินใหญ่จะเงินมากเท่าไรยิ่งบุญมากเท่านั้นคนก็ตะกละดากได้เงินมากที่คนจะไปทอดกรถิ่นแล้วกิเลมันโตไหมล่ะ นี่คือกระทะทองแดงอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะเอาบุญไปใช้ผิดเอาไปหลอกกันเอาไปลอ ก, กันเอาไปต้มกระทะทองแดงกันมันเป็นกุศลหลอกเท่านั้นทีนี้ขอแถมอย่างนี้หนึ่งว่าคำว่ากุศลนั้นถ้ามีสมา ธ, ธิทำความดีด้วยแล้วละกลิเลสได้ด้วยกุศลนั้นมีทั้งความดีงามมีทั้งบุญ เพราะฉะนั้นบุญของศาสนาพุทธนี่มีทั้งกุศลด้วยแต่กุศลนั้นไม่มีบุญได้กุศลก็มีบุญได้ถ้าสาม า, สมารถสมาธิก็สามารถละกิเลสด้วยมีคนงามความดีด้วยแต่ในกุศลนั้นไม่มีบุญเยเยอะเลยมีแต่คุณงามความดีแต่ละกิเลสไม่เป็นชัดเจนแล้วนะ อาทีนี้ขอตอบปัญหาแห้งก่อนใครจะจะตอบอก็ยกมือไว้แล้วเอาเอาไมโครโฟนถือไว้ก่อนขอตอบกันมันไรไอันนั่นแล้วนี่มันทุ่ม38แล้วอะ่ะนะมาคนแรกมสี่กลุ่มหนึ่งมสี่กลุ่มหนึ่งแผ่นแรกเลยบอกว่าพ่อท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสมาสิกขาในวงเล็บตัวบุคคลในยุคนี้ พ่อท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสมาศิขาในอวเล็บตัวบุคคลคงหมายความว่าสมาศิขาคงหมายความตัวนักเรียนนะอันนี้นะอาตมาอ่านโจทย์พ่อท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสมาศิขาในอวเล็บตัวบุคคลในยุคนี้คงหมายถึงตัวนักเรียนสมาศิขาในยุคนี้ตอบความเห็นก็คือเด็กยุคนี้เนี่ยเคร่งครัดน้อยกว่าเด็กยุคก่อน ศรัทธาประษาทะย่อมเยาวกว่ายุคก่อนเด็กยุคนี้ น, อนะอาตมาก็ยังไม่ได้วิเคราะห์วิจัยลงไปถึงเหตุปัจจัย ช, ชัดว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่เห็นที่ถามมันก็เลยตอบไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อ ผ่านมาเมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้ย้ำไปฟังแล้วเด็กทั้งหลายแหละที่ตอบปัญหาของคู่ฟ้าเขาว่าว่าจะทำให้เด็กทำยังไงถึงจะจบมหได้นะก็อธิบายไปสำคัญแล้วว่าต้องอดทนหน่อยแล้วก็ต้องเห็นด้วยปัญญาให้ดีๆว่าที่นี่เนี่ยเจตนาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานและทำให้พวกเราดีจริงๆอดทนเราหน่อยเธอและภาคเพียนเอาให้ได้ให้จบมหได้ไม่เช่นนั้นมันเสียโอกาสเสียเวลา มีมีกุศลมากมีบุญมากนะที่อุตส่าห์ได้มาเป็นนักเรียนที่นี่แล้วเนี่ยและทิ้งโอกาสหนีไปซะเอง ต, ง, ตงตั้งแต่ penis, เรายังไม่ผิดมากจนกระทั่งที่เขาไล่ออกไอล่ออกก็ัแล้วไปเถอะแต่เขาไม่ได้ไห่ออกแต่เราหนีเองไปโดย not, ที่รยกว่าเราไม่อดทนหรือว่าเราเองไม่ไม่ไม่เห็นดีเห็นงามเนี่ก็เท่านั้นน่เพราะงั้นก็เห็นว่ามัน มันมั น, ม, นมันรู้สึกจะไม่ค่อยไม่เสื่อมลงบ้างจึงอยากจะสมทับไปด้วยแต่ถามมา ก, ก็ดีแล้วช่วยกันหน่อยเถอนะน่ะนั่นแหละพี่ป่านาอาที่อยู่ในบ้านในวัดในครูบาอาจารย์หรือก็ตามก็ช่วยกันบ้างเถอะนะเพราะว่าของเรานี่มันยากตรงที่ว่าหนึ่งเราไม่กําหนดลงไปอย่างบังคับหรือมีข้อการันตีอะไรกันเลย คนจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรก็มาก็ตามสมัครใจอยากออกเมื่อไหร่ก็ออกได้นะจะสอนไม่สอนก็ได้อีกเราก็เลยไม่รู้ทำไงเราก็เอาแต่ความสมัครใจนะเราก็ได้รับประโยชน์จากผู้ที่มีน้ำใจแล้วก็ขอบคุณเท่านั้นเองนะก็ไม่รู้จะขอบคุณอะไรยังไงแค่ไหนมันต้องขอบคุณกันอย่างเทิดทูนเลยแหละพอผู้ที่มาเสียสละช่วยกันเนี่ยมันเป็นคนที่มีปัญญาและเห็นจริง ก็ได้เท่านี้นะเพราะงั้นก็อยากจะให้ทั้งพี่ปานาอาคือของเรานี่ไม่ได้สอนแต่เฉพาะในห้องเรียนหรือว่าครูที่จะเอาภาระเท่านั้นหรือครูที่บรรจุทุกคนก็เป็นครูพี่ปานอาอาก็เป็นครูในตัวหมดนะสอนโดยปริยายสอนโดยสามัญธรรมดาด้วยธรรมชาติด้วยนะแล้วก็เอาเอาเป็นหลักเอาสอนบางคนก็ มีวุฒิก็สอนได้หรือไม่มีวุฒิก็สอนได้เท่าที่เราให้กันแล้วก็สอนเหมือนอย่างเราเพราะว่าเราเอาทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถสอนและทั้งที่ท่านมาต้องมีวุฒิเราก็ต้องแน่นอนแล้วก็บรรจุหรือ่าสอนก็เอาตามเขาสรุปแล้วก็มีข้อบอกพร่องอยู่นะที่ควรจะคันชะนอกกันเข้าไปบ้าง สองอยากให้พระท่านช่วยอธิบายขยายาความแตกต่างของธรรมะกับธรรมชาติโอ้ถามมาดีมากลึก <c oughs> ธรรมะกับธรรมชาตินั้นข้ออธิบายง่ายๆอย่างนี้ก่อนคำว่าธรรมชาติมันมีคำว่าธรรมะและกับธรรมะคำว่าชาติคำานึงนี่ไม่ได้เล่นลิ้นนะส่วนคาว่าธรรมะมันไม่มีธรรมชาติมันต่างกันแน่นอนเพราะคำว่าธรรมะจริงๆแล้วคือสิ่งที่ทรงไวและ จริงๆแล้วคำว่าธรรมะต้องเป็นความดีไม่ดีนิดหนึ่งก็เรียกว่าอธรรมอธรรมนิดหนึ่งจมยังไม่มีดีไม่ดีเนี่ยมากขึ้นก็เป็นอธรรมมากขึ้นส่วนชาตินั้นลึกซึ้งชาติแปลว่าเกิดความเกิด ธรรมชาติก็คือสิ่งที่ทรงอยู่ถ้าจะหมายความถึงข้างนอกก็ทรงอยู่ทั้งกายและใจร่างทั้งดินน้ำไฟลมแท่งกรของชีวิตธรรมชาติก็จะไปพูดถึงสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันก็อธิบายกว้างก็ได้มันยากเมากเกันแต่อธิบายกว้างก็ตามหมายถึงทั้งหมดก็ตามแต่คำว่าธรรมชาติที่ควรจะต้องเรียนและควรรู้หมายถึงจิต จิตวิญญาณมนุษย์ธรรมชาติหมายถึงจิตวิญญาณมนุษย์จะเป็นโมเมว่าธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยิ่งไม่เอาจิตวิญญาณเข้าไปร่วมด้วยเลยไม่เรียกว่าธรรมชาตินะไม่เรียกว่าธรรมชาตินะเอาแล้วมันจะยืดหยามันลึกซึ้งมันซับซ้อนเราอธิบายหลายชั้นถ้าจะอธิบายจนจบชาติคานี้หมายถึง จิตวิญญาณและหมายถึงความเกิดถ้ายังมีความเกิดอยู่ของจิตวิญญาณที่เรียกว่าอกุสลจิตจิตวิญญาที่เรียกว่าอคุศลจิตมีอคุศลจิตวิญญาณเกิดอยู่ก็มีชาติเรียกว่ามีธรรมชาติแต่ถ้าทรงไว้ซึ่งไม่มีชาติมีแต่ธรรมะทรงอยู่ไม่มีชาติคือไม่มีอกุศลจิตเกิด ธรรมะนั่นคือนิพพานธรรมะนั้นไม่มีอกุศโสจิตเกิดเลยอีกเลยสิ้นอาสวะตลอดไปนิจังทุบวังสัตตังอวิปรินามธรรมะสัางในลังสร ง, งกุปปังไม่มีอกตศโจิตเกิดแม้แต่อาสวะก็สิ้นแล้วอสังกุปปังไม่กลับกาเริบอีกแล้วเที่ยงแท้นิจังตลอดการสัตตังนั่นคือธรรมะที่ไม่มีชาติ หมายเอาตรงนี้จึงต่างกับคาว่าธรรมชาติแต่ถ้าจะขยายความตรงนี้พูดกันอีกนานจะหมายถึงต้นดินน้ําไฟลมเกี่ยวข้องกับทุกสิทุ ก, ท ก, ทกอย่างเพราระอรหันตุกคนหมดกิเลสแล้วเกี่ยวข้องกับดินน้าไฟลมเกี่ยวข้องกับรสชาติเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรที่จะเป็นอภิสังขารซึ่งจะสังขารมีแต่กุศลทั้งสิ้นไม่มีบาปในตัวท่านท่านไม่ทําบาปไม่ทําไม่พาคนชั่วธรรมชาติทั้งนั้นแหละ นิทิบายง่ายๆก่อนสรุปแล้วธรรมะกับธรรมชาติธรรมะยอดสุดคืออรหันต์หรือนิพพานส่วนธรรมชาตินั้นคือธรรมะที่ยังไม่เป็นนิพพานยังมีชาติอยู่ยังมีการเกิดอยู่เพราะฉะนั้นไปอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็จกันว่าก็ธรรมะก็คือธรรมชาติอัตมากระงสารงสาร คนพูดที่บอกว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นผู้นี้ไม่ใช่อรหันอตมาชี้หน้าได้เลยเนาอธิบายว่าธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่อรหันเพราะไม่เขาจประมาชชาติไม่รู้การเกิดของชาติของสันชาติของอกันติของนิพิตตนิพตัติของอภินิพตัตินี่คือคำสอนพระเจา้าในปฏิสัมมุบบาทชาติมีอะไรบ้าง ถ้าให้เรียน5ตัวนี้เลยชาติสัญชาติอกันตินิพพติอภินิพต พ, พติชาติสัญชาติก็คือการเกิดที่รวมทั้งหมดที่อาตมาละไว้เมื่อกี้ว่าไม่สามารถจะอธิบายเพราะาชาติมันเกิดทุกอย่างสัญชาติก็คือการเกิดที่จะมีการกําหนดรู้ต่อเนื่องมาแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้กําหนดรู้ถ้ากําหนดไม่ได้มันก็ทํางานอยู่เป็นสัญชาติตยานอยู่ของมันเองด้วย ถ้าคนเรียนรู้คุณก็กำหนดสัญชาติญาณตามลำดับถ้าอะไรสัญชาติญาณที่มันเป็นสัตว์หรือมันยังเกิดอยู่เป็นสัตว์ต้องเข้าใจสัตววาาด้าวแล้วก็รู้องค์ประชุมมันรู้กายแล้วล้างกิเลสจนกระทั่งหมดไปมันก็หมดสัญชาตของสัตว์ดับสัตว์ได้ก็พ้นสังโยชน์ไปเรื่อยๆ เพราะงั้นโอกกันติเป็นการเกิดตัวกลางของผู้ที่จะเป็นอริยะหรือยังเป็นโลกียะอยู่ถ้าเป็นโลกียะอยู่โอกกันเต ม, มันก็ยังลงขัานแปลอกกันเตะแปลวกากา ร, กการยังลงก็ยังลงสู่ความมีกิเลส ต, ตลอดเวลาผู้เรียนรู้การเกิดนั้นและเริ่มต้นรู้การเกิดที่มีกิเลสยังลงและทําให้กิเลสลดลงลดลงได้ก็เป็นการเกิดนพิพพติ การทําให้กิเลสลดลงลดลงลงได้จนสูงสุดก็เป็นอภินิพัตติท่านแปลในพระเตปปิโดว่าเกิดจำเพาะท่านแปลว่าเกิดจำเพาะถ้าอาตมาแปลอาตมาจะไม่แปลอภิอภินิพัตติว่าเกิดจำเพาะ อ, อาตมาจะแปลว่าการเกิดของ อ, อรหัตผลอภินิพัตติเนี่ยว่าคือนิพานนั่นแหละนิพัตติคือรากตระกูลของนิพานภาษา ตระกูลเดียวกันรากของภาษานิพพติก็คือเริ่มต้นมีสั่งสมนิพานสั่งสมมีมุดไปตามลําดับ ส, งสังสมสัอริยธรรมเป็นศาสวะไปตามลาดับเพราะอภินิพพติก็เป็นอนาสะวะนะเป็นการเกิดของอาราหารันตะ์ซึ่งมันจะย้อนแย้งกับคำว่านิพานนิพานมันแปลว่าตาย มันหมายเอาตายกิเลสตายแต่อภินิพัติในแปลว่าการเกิดท่านก็เลยแปลว่าการเกิดจำเพาะซึ่งท่านอัตมาว่าถ้าท่านเข้าใจอย่างอัตมาท่านจะแปลได้เลยว่านี่คือการเกิดของอรหัตผลอภินิพัติเพราะฉะนั้นไม่รู้จากการเกิดที่เป็นชาตินี่เนี่ยชาติเนี่ยนี่พอดีอัตมาถือมันนี่นะพระไตรปิฎกเล่มสิหนี่คำว่าชาติอยู่ในข้อที่ พระเจ้ปิฎกเล่ม 16. บข้อ7ชาติเป็นไนความเกิดความบังเกิดความหยางลงเกิดเกิดจำเพาะนี่ไงความเกิดก็คือชาชาติชาติความบังเกิดท่านแปลจากคำว่าสัญชาติความหยางลงท่านแปลมาจากอกกันติเกิดเฉยท่านแปลมาจากคำว่านิพพติเกิดจำเพาะท่านแปลมาจากคำว่าอภินิพพติ นี่ก็ต้องเรียนรู้ชาติหอย่างนี้โดยปรมาทิเพราะงั้นเรียนรู้การเกิดในดับความเกิดนี้ได้หมดมีและในปฏิสมุบานก็คือผู้หมดพบหมดชาติผู้หมดพบจบชาติเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นสรุปธรรมะกับชาติเท่ากับธรรมชาติธรรมะคืออรหันต์ธรรมชาติคือยังไม่เป็นอรหันหตน์น้าตอบสําหรับเด็ก เคล็ดลับการมีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกของพ่อท่านคืออะไรโอ้เคล็ดลับด้วยเนาะนี่ล้วงเคล็ดลับการมีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งภายนอกภายในของพ่อท่านคืออะไรโอ้โหอาตมาจะตอบอยังไงดีเนี่ยหนึ่งถามเคล็ดลับน้กอาตมามีเคล็ดไหมเนี่ยอาตมามีแต่เคล็ดสว่างมันเคล็ดลับไม่มีเลยจะตอบอยังไง เทศว่างอัตมาก็คือแปดอที่สุขภาพดีแปดออนี้สองตัวแรกอิทธิบาทกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะโดยตรงส่วนอีกหกอนันเป็นเรื่องของการเรียนรู้สามัญแล้วต้องขยันมันเพียรทำให้มันถูกตรงตั้งแต่อาหารอากาศ ออกกำลังกายเองกายเอาพิษออกอาชีพอะไรพวกนี้อีก8ดอีกหอก็ต้องทำความเข้าใจกับอพวกนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่เคล็ดลับเคล็สว่างเคล็ดนูดคือโป้หมดเลยเคล็ดเปิดเผยไม่ปิดอะไรสักอย่างเรียกว่าเคล็ดเคล็ดนูด เคร็ดเปลือยเลยเคร็ดเปิดเผยมดไม่เหลืออะไรอลันจอนเลยเนี่ยเรียกว่าเคร็ดนูตไม่จะเคล็ดลับเลยนะก็เรียนรู้หกแปดไอสองนะอาจจะยากก็เรียนรู้ตามไปออทธิบาทกับอารมณ์นี่คืออยู่ในธรรมะที่ลบปู่สอนอยู่ตลอดเวลานี่แหละนะอ้าวตอบแค่นี้ก่อนก็นแล้วกัน พ่อครูมีผลงานภาพถ่ายขาวดําที่เลือกไว้แล้วพ่อครูจะอธิบายภาพให้ลูกๆนาหล น, านชาวโสฟังไหมคะทํางปฐมสแกนไว้แล้วพร้อมฉายให้ดูค่ะอยากรู้ว่าพ่อครูโอ้โนี่สิบเกาฬิกาห้แล้วนะมันจะไปใช้ได้ยังไงอ่าอยากรู้ว่าพ่อครูถ่ายรูปไว้เยอะถ่ายเล่นอะไรคำถามทำไมคถา ม, ถ, ามถ่ายทําไมคะคือหมายคําถามคิดอะไรถึงถ่ายรูปคะคือหมายคำถาม ยุคนั้นคงไม่ค่อยมีใครเล่นกล้องสักเท่าไหรขึ้นมาคําถามอ่าตอบขึ้นมาคําถามแล้วกันหน้าเวลาไม่มีแล้วถ่ายเล่นหรือเปล่าอ่าอัตมาต้องขยายความคําว่าถ่ายเล่นก่อนถ้าถามว่าถ่ายเล่นมันถ่ายจริงๆนะมันถึงติดรูปจริงๆอนะแล้วมันก็ตกมาถึงจะปัจจุบันนี้จนคุณเห็นนะนะ่ทีนี้อ่านี่เล่นขารดมหน่อยนึง คงหมายความว่าถ่ายนี่ถ่ายเอาไปทําประโยชน์เอาไปทําอะไรเป็นกิจจากลักษณะหรือเปล่าอะยรว่าจริงถ้าถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเลยว่าถ่ายเล่นก็ตอบได้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรจากอาตมาที่จะเอาไปทํากิจอะไรที่จะได้ประโยชน์อะไรหรอกถ่ายรูปพวกนี้ก็ถ่ายแต่ก็ก็จะว่าชอบถ่ายก็ชอบถ่ายรูป่นะทั้งที่อตาตมาก็พูดกรงกรองอาตมาเนี่ยเป็นคนจ น, นตั้งแต่ เด็กนะไม่เคยมีกล้องส่วนตัวเลยในชีวิตตั้งแต่เด็กที่ถ่ายรูปถ่ายเล่นะไม่เคยมีกล้องส่วนตัวในชีวิตจนมาโตทำงานแล้วทังจึงได้สามารถซื้อกล้องใช้ตัวเองได้ทำงานแล้วมีเงินเหลือพอจึงซื้อกล้องนะแล้วก็ซึ่งได้มีกล้องถ่ายรูปของเขาจนถึงซื้อกล้องถ่ายหนังถ่ายนึงอะไรไปนุ่นก็ก็ชอบถ่ายอยู่ แต่นอกก็ถ่ายกล้องของคนอื่นกล้องของเพื่อนอะไรก็ถ่ายถ่ายถ่ายยืนก็ถ่ายถึงืนก็มาถ่ายถ่ายรูปเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนก็ถ่ายบ้างและรูปเราอาตมาก็เก็บไว้แล้วตัวเองถ่ายบ้างที่รูปที่ถ่ายที่เอามาส่วนมากที่เอามาอัดทีกสแกนเอาไว้เนี่ยก็คือรูปที่อาตมาถ่ายทั้งนั้นนี่อาตมาถ่ายเองนี่ก็ถ่ายแล้วก็อย่างนั้นอาจจะว่าถ่ายเล่นมันมันก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรทีนี้ถ่ายทําไมคะ อธิบายไม่ได้เหตุอบไม่ได้เหตถ่ายทําไมค ะ, ะก็มันคิด ว, ว่าถ่ายมันก็เป็นรูปดีก็เก็บไปดูหรือเอาเปอะไรอะไรเราก็ดูอะไรอะไ ร, อะไรต่างๆคิดอะไรถึงถ่ายรูปคะไม่ไดิคิดอะไรเราก็คิดว่าถ่ายรูปมันก็ดีมันก็ได้รูปมาดูอะ่ะแล้วก็เป็นคนเก็บนะเก็บรูปทั้งๆที่ไม่ใช่รูปอัตอมาถ่ายก็เก็บเพราะยังจะมีรูปเยอะ นี่มันกระจายทีนิ่งทิ้งไม่หมดแล้วแม้แต่รูปเพื่อนเนี่ยแต่ก่อนจะแจกรูปกันแลกรูปกันใช่ไหมอย่างเพื่อนนักเรียนนี่โอ้แจกรูปแลกรูปกันอาตมาก็จะมีอัลบัม้มตีดไปหมดเลยรูปเพื่อนเืนผู้ชายผู้หญิงเยอะตอนหลังนี่มันหายหมดแล้วทิ้งอาตมาทําเป็นอัลบัม้มเป็นอะไรอะไรเลยนะเขียนรูปประกอบอะไรอะไรไว้จงกระทั้งอาตมาทําเรียนหนังสือนี่เขียนทำอพโปนี่มาวาดมาประกอบทํารูปเท่าไรเนี่ยครูริป ิเ อ, อ, อเล่มที่อัตมาทำเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเฟลชิปลิริอัตมาก็โอ้โหครูนี่ใจโหดจังเลยเราเราก็จะทำเร่ๆิปจนกระทั่งอัตมาจบมหแล้วถึงไปขอคืนแกก็เก็บไว้ให้นะแกก็คืนมาให้ครูอาจบัวขาวจำแกได้ดูมากเลยครูคนนี้เนี่ยนะตั้งแต่อัตมารเรียนมหกปศสพันี่รส อตาตมาเรียนมหกสองปีมีเพื่อนรุ่นสองรุ่นนะเน้นึกว่าเล่นเล่นะอตาตมามีเพื่อนเยอะตกมหกจึงเรียนสองปีครูอาจบัวขาวเนี่ยอตาตมาว่าเป็นคนนําสมัยที่สุดเพราะแกเป็นคนตีผ่อนทรงแกมีการผ่อนสงก่อนการผ่อนสงเชื่อสินเชื่อผ่อนสงแกเล่นก่อนเพื่อนเลแกตีผ่อนสง โอ้โหแกบอกแก่ก้าวหน้ามากเลยอาตมานับถือเลยแต่แต่เขายังไม่เคยมีไอ้เรื่องผ่อรสงอะไรกันนี้นะไอ้กิจการพานิชผ่อนสงแต่แกตีผ่อนสงแล้วอะเพราะว่าแกสอนนี่แหละแกสอนคณิตศาสตร์แกให้คณิตศาสตร์ทีหนึ่งทีละบททีล ะ, ะทีละอะไรล่ะมันทั้งบทเลยมันมีกี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อทั้งหมดเลยบาง ทบทหนึ่งมันมีตั้ง30 40ข้อบางทีมันมากกว่า น, นั้นน่ะแลวทามาใครทำไม่เสร็จตีข้อละทีหวดก้ น, นตีข้อละทีข้อละทีข้อละทีอทาอตมาไม่เคยถูกตีเลยแต่อาตมาไม่ทำไม่เสร็จเยอะไม่ค่อยขยันทำกาการบ้านอาตมาคนขี้เกียจทำการบ้านมากแล้วก็มันก็ทำแต่อาตมาไม่เคยถูกตีเลยเพราะอะไรรู้ไหม อาตมามีเคล็ดเคล็ดอะไรอาตมาแกไม่เคยตรวจอาตมาเลยว่าอาตมาไม่เคยทาการบ้านเพราะอาตมาสู้ตาแกออนี่จริงจริงอาตมาสู้อาตมาไม่หลบใครหลบตาแกแค่ตรวจมีพิรุธแล้วจับได้เลยแล้วแกก็เนี่ยไม่ทํามาสิบข้อแกก็ตี แล้วตีทีหนึ่งสิบคนแกตีไม่ไหวแกก็ตีผ่อนส่งอาคนนี้ตีไวปสิบข้ อ, อตีไปสามแล้วคนอื่นมาต่อต่อแกตีไม่ไหวอ่ะแกก็ตีผ่อนสรงแกก็จำไม่ได้หรอกแกก็ผ่อนสรงเขาจะให้เด็กจําไว้อ่ะเด็กมันโกหกมัง่งไม่โกหกมัง่งไงมาตีผ่อนส่งเลยโอ้ก้าวหน้านี่ก็เล่าความหลังให้ฟังสนุกนะนะก็เก็บไว้ รูปถ่ายไปเล่นไปงั้นน่ะยุคนั้นคงไม่ค่อยมีใครเล่นกล้องสักเท่าไร่ใช่กล้องมันหายากนะมันก็ไม่ค่อยมีมันก็ไม่ได้เล่นเท่าไร่คนมีกล้องเทนะนะเทนะนะแต่ก่อนนี่มันใช้เรื่องเล่นคนต้องมีฐานนะพอสมควรที่มีกล้องไอ้กล้องที่มันราคาถูกที่สุดเขาเรียกกล้องบ็อกไม่มีแมคกนิคอะไรเลยเหมือกนกับกล้องไอ้ลูกเข็มอะ มีเลนแล้วก็กดท่าเดียวไม่ได้ตั้งนากรองไม่ตั้งอะไรเลยกดกดท่าเดียวตั้งให้มันตรงภาพแล้วกดไม่มีเด็บไม่มีอะไรเลยเ อ, อ, อยู่ที่เลนถ้าเลนดีหน่อยมันก็ราคาแพงหน่อยหรือก็ได้ดีหน่อยถ้าราคาถูกก็ถูกไม้ น, นอะไรนี่กูสาวเอาภาพมาให้อัตมาพูดอัตมาบรรยาย ธรรมาก็คงไม่ได้มีเวลาบรรยายหรอกไว้ค่อยบรรยายในวันที่ออกอากาศวันไหนที่จะเปิดนะเนี่ยนะก็เอาก่อนเลยทวงไว้แล้วก็จะเอาภาพพวกนี้มาให้บรรยายนี่ก็ภาพถ่ายไปงั้นกนะ็ถ่ายปเป็นวิวเป็นอะไรถ้าก็ถ่ายไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรนรองแม่น้ำมูลธรรมมาก็เป็นคนอุบลอเภอวารินก็ถ่ายแม่น้ำมูลเป็นคนพิมูลบางสาหารวารินบ้างมือแม่น้ำมูลบ้างแต่จริงเถือกเทาหลอกกออยู่แม่น้ำมูล โอ้าตาทวเป็นเจ้าเป็นเจ้าพ่อเมืองเป็นเจ้าเมืองพิบูรณ์เลยเป็นลูกของเจ้าเมืองอุบลนั่นแหละเป็นลูกเป็นหลานเจ้าเมืองอุบลไอ้พวกนี้เป็นแคปชั่นของอเขียนไว้หลังๆของภาพทั้งนั้นน่ยก็อยากจะให้อัตมาทำอัตมาบรรยายเอาไว้งี้ก็แล้วกันพรุนี้วันที่4จะมีเวลาไม่เอ่ยถ้ามีเวลาก็เอาอัตมาบรรยายแล้วก็อัดไว้ก็ได้เราสแกนไ ว, แว้แล้วแลอัดไว้เอามาถ่ายถ่ายถ่ายชา ย, ายออกมาแล้วอัตมาอธิบายให้ มันก็มีต้องเป็นสิ่กว่าภาพอนุติอัตมาคัดเลือกไว้นะได้เขียนในบรรยายหลังไว้อะไรพวกนี้เฉยๆเนี่ยอัตมาก็ตอบอะไรไม่ได้นะพศสอง9ันอนี้ไอ้นี่อัตมามาอยู่กรุงเทพแล้ว249พ่เากานี่ยแล้วกลับไปโน่นกลับไปอุบลก็ไปถ่ายไปเทย์มาอัตมามากรุงเทพตั้งแต่พศ2 4 9พเาเข้ากรุงเทพพศ2493าบมจมมหเข้ามา อาตมาดูมจมโอหอายุสิ บ, บาอาตมาในจมโอหอายุสิบหาเข้ามาตั้งแต่ตอนโน้นแล้วก็มาอยู่ที่นี่ไปสี่สห้าิปีก็ไปบ้านน้อยไปไปกลับไปบ้านน้อยอก็ตอบได้เท่านั้นนะอยากทราบว่าการปรวราณาของชาวโศส ม, มีความแตกต่างจากที่อื่นๆหรือไม่อย่างไรคะอาตมาก็ขอตอบผ่าตีหัวเข้าบ้านที่ว่าตีหัวเข้าบ้านก็คือตอบอย่าง เกงใจมันเหมือนกับไปกระทบไปกระทบทางกระแสะหลักไปกระทบทางส่วนใหญ่ของวงการศาสนาที่บวชเป็นสมณะเป็นพระกันแล้วที่ของเร า, เามีการปรวารณาของเราเนี่ยการปรวารณาของชาวโสดโดยเฉพาะสมณะชาวโสดเราแตกต่างกับที่อื่นคือเรามีการปรวารณาตามพิธี ในวันวันปวารณาคือวันออกพรรษาด้วยทําตามประเพณีคือท่องภาษาบาลีทําพิธีกรรมนะทำพิธีกรรมเรียกว่าสังฆกรรมปวารณาแล้วก็ทําพิธีกรรมตามหลักของวินัยนะก็มาทําพิธีผู้ที่ก็ต้องทำมาขอปวารณาผู้อายุพรรษาน้อยก็ขอปวารณาไปตามระดับผู้อาสาสูงขอปวารณาก่อน ผู้ปัญหาน้อยก็เคยตามมาดับประคบร่า ก, ก็คือในคำปวารณาก็คือบอกขอให้ว่ากล่าวได้ขอให้ติเตียนได้ขอให้ด่าได้อะไรต่างนี่แหละคือปวารณาสรุปง่ายๆขอให้ติเตียนได้วาได้ด่าได้อย่าถือดูถือดนะีเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้จะเมื่อก่อนเมื่อหลังอะไรอนาคตก็แล้วแต่นะก็ปวารณาไว้ของเราทําทั้งในขณะที่วันออก ภาษาคือว่าปัรณนาและนี่แหละงานมหาปรณนาที่เราปรณนากันอย่างจริงจังเอามาชําระกันเอามาใครจะปิดเตียนใครก็ชําระกันจริงๆเนี่ยจะมีใครอะไรก็เปิดเผยกันอย่างน้นอย่างนี้ก็ใช้เวลากันตั้งสองวันแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหยาวยืดญาตินานบางตั้งแต่แรกๆเนี่ยโอ้โหจะยันรุ่งเลยนะใช้เวลากันชำระกันอะไรใรกันปรณนาตอนนี้ก็เข้าใจ วิธีการก็รวบพลัดกันขึ้นอะไรก็เร็วขึ้นเถอะเราทำอย่างเข้าใจอย่างจริงๆต้องปรณากันด้วยใจให้ถึงใจให้รู้ว่าการตําหนิติดเตียงกันนั้นไม่เป็นคุณค่าประโยชน์ต้องเปิดใจให้ติดเตียนได้จะได้ลดอัดตรามาหน้ากันจริงๆเราไม่ทำแต่เฉพาะปรับประเพณีจารีตที่วันมหาปรณาวันเดียวแล้วไม่เคยที่จะมากำชับอะไรกันเลยอย่างนี้เราไม่เอาเราเอาจริงๆด้วย ส่วนปริยายที่จะสอนกันครูบาอาจารย์สอนในเรื่องของให้ติเตียนกันได้จงติเตียนกันแล้วก็รับฟังอย่าถือดีถือตัวมีเอียาตาแล้วก็สอนกันไปอันนั้นก็เป็นปริยายโดยปริยายก็ทําแล้วแต่วัดไหนสํานักไหนครูบาอาจารย์ไหนก็ว่ากันไปส่วนตัวพวกเราก็ทําด้วยและมีวิธีมหาปรณาอย่างนี้ด้วยสองบุญคือเครื่องชําระกิเลส ส่วนกุศลคือผลของการชาระ ก, กิเลสอย่างที่เข้าใจถูกอย่างนี้เข้าใจถูกหรือไม่คะเมื่อกี้ก็อธิบายบุญกับกุศลไปมากแล้วบุญคือเกรื่อำระ ก, กิเลสถูกต้องกุศลคือผลของการชำระ ก, กิเลสนั้นยังไม่ถูกต้องทีเดียวกุศลมีความหมายถึงคุณงามความดีทั่วไปถ้ามีการชาระ ก, กิเลสด้วยถือว่าได้ทั้งบุญและกุศลนะ ต้องถือว่าได้ทั้งบุญและกุศลเป็นกุศลที่มีบุญเป็นคุณงามความดีถึงขั้นชําระกิเลสได้นายต้องว่าอย่างนั้นส่วนบุญนั้นไม่ต้องบอกคําว่ากุศลต้องชําระกิเลสได้ถ้ายังไม่ชําระกิเลสได้ไม่มีบุญมีแต่กุศลถ้าทําคุณงามความดีจะมากขนาดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นขอเจาะตรงนี้ขออาภัยต่อศาสนาอื่นๆ ศาสนาใดที่ยังไม่มีปรมัติยังไม่สามารถรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานและรู้จักสมุดไทยของตัวจิตกําจัดถูกตัวสมุดไทยของตัวจิตได้จริงๆศาสนานั้นไม่เคยเป็นศาสนาที่มีบุญแต่ศาสนาอื่นๆก็เอาคำว่าบุญไปเรียกคนของท่านเหมือนกันหรือเอาไปใช้ในวงการของศาสนาท่านเหมือนกันคำว่าบุญของ คำนี้แหละคำว่าบุญเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยาศาสนาอื่นก็เหมือนกันก็เอาภาษานนี้ไปเรียกในาศาสนาของท่านที่ก็เลยฟันเฟอ้อใหญ่เลยผิดใหญ่เลยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยขอเอาัยเอาไปรเรียกถึงขัน้นนักบุญทั้งนั้นในศาสนานั้นไม่มีประมาทไม่มีหลักมรรคองแปดพระพุทธเจ้าตรัสเลยถ้ า, าศาสนาใดไม่มีหลักมรรคองแปดาศาสนานั้น ไม่ใช่โลกุตระไม่ใช่าศาสนาที่จะมีอริยะไม่มีโซดาสกิทานาคารหันนักบุญคือผู้ที่บรรลุโสดาขึ้นไปโสดาบันเป็นนักบุญขั้นต้นสกิทาขั้นที่สองอนาคาขั้นที่สและอรหันขั้นที่สนั่นคือนักบุญที่แท้นีแต่ว่ามันเพี้ยนมันก็เลยไปไละกันใหญ่ทุกวันนี้ส เพราะเหตุใดจึงต้องมีคาว่าอาจินไตยมองและเปิดเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้บนโลกใบนี้ด้วยคะตั้งแต่ที่ทุกๆเรื่องราวบนโลกใบนี้สมควรที่จะอธิบายได้มียินก็ต้องมีหยางในเมื่อมีคำถามก็สมควรจะมีคำตอบที่ให้ความกระจ่างแจ้งกับเราได้ไม่ใช่หรือคะโอ้ถามมาสำคัญนา ที่มีอจินไตยก็คือพระพุทธเจ้านี่ตัดสิรู้ทึงเรื่องภูมิธรรมระดับของภูมิธรรมของสัตว์โลกหรือมนุษยชาติท่านถึงแบ่งมนุษย์ไว้มีเวนยสัตว์กับอเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์หมายว่าสัตว์ที่พูดกันสอนกันที่มีความรู้สูงกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ไปดูถูกนะเขาเป็นจริงเขามีภูมิธรรมมีม กรอบของความรู้กรอบของความสามารถที่จะรับรู้เข้าใจได้เท่านี้เช่นคนอิเดียตสมองเขารับทำงานได้แค่นั้นนะเกินกว่านั้นเขาไม่ได้คนโมล่อนก็ได้ขนาดนั้นคนฉลาดฉลาดระดับนี้ฉลาดอัจฉริยะมันมีความจริงของคน ทั้งอวัยวะก็ต่างกันอย่างคนที่เขาพูดอีเดียตโมลนี่เอาอวัยวะเป็นหลักทางจิตวิญญาณก็มีกรอบของความต่ําความสูงความเจริญของจิตวิญญาณที่มีภูมิปัญญาฉลาดเหมือนกันแปลงคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจในระดับที่มันเกินจะบอกพอบอกไปเขาก็ไม่รู้จึงเรียกอ น, นั้นว่าอาจินไตย เป็นความรู้ที่เกินความคิดของเขาก็อย่าพูดกันเลยอาจินไตแต่ผู้ที่มีภูมิถึงแล้วอย่างที่ถามมาว่าควรจะบอกกันได้ก็บอกกันได้ถึงบอกไปก็ไม่เข้าใจเท่านั้นเองแต่ผู้ที่เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นอจินไตหลายอย่างจะมาพูดในกาละบางกาละอยู่ซึ่งไม่ควรพูดในบางกลุ่มบางหมู่หรือไม่ควรพูดในบางกาละแต่บางกาละก็พูดอยู่ ซึ่งเป็นความรู้ที่คนอีกระดับหนึ่งรับไม่ได้แต่คนที่รับได้ในระดับหนึ่งนีงนะอาจินไตใจคืออย่างนั้นนะถามการถาบการทำบุญควรทำด้วยตัวที่ยินดีแต่ถ้าทเราทำบุญเพราะหลงคำชมแต่ก็ทำความดีจะได้บุญหรือบาปคะได้กุศลอธิบายบุญกับกุศลไปแล้วถ้า ทำด้วยหลงคำชมแต่ก็ทำความดีแน่แน่ชัดๆอยู่แล้วได้กุศลไม่ได้ไม่ได้บุญหรอกก็ได้กุศลอัทินีแถมถามว่าจะได้บุญหรือบาปส่วนมากได้บาปาหลงคำชมํำแต่ความดีเนี่ยส่วนมากจะเป็นบาปบาปคืออะไรบาปคือกิเลสนะ กิเลสคือความอยากได้ถ้าอยากได้จัดอยากได้แรงมันทุกข์มันทุกข์นัน่นนี่ขยายความต่อไปมันทุกข์จะเรียกว่ากิเลสมถ้าถึงขั้นทุกข์กิเลสแล้วแต่ถ้าอยากได้ไม่แรงนักมันไม่ถึงขั้นทุกข์ก็แล้วไปเถอะไม่เรียกกิเลสก็ได้อนุโลมแต่ก็เป็นการสั่งสม เพราะฉะนั้นทึงบอกว่ากิเลสเนี่ยกอขอไปกุศลเนี่ยล่อแหลมต่อกิเลสกุศลนี่ล่อแหลมต่อกิเลสมีความซับซ้อนเพราะความดีเนี่ยล่อแหลมถ้าคุณอยากได้ความดีจัดจัดมันรุนแรงดีไม่ดีเกิดการทะเลาะวิวาสปะทะมันอะไรตึ่มลายทำลายได้ทำลายทําลายได้นะทั้ง่ที่ต้องการความดีต้องการทําความดีนี่ทำลายทําลายกันได้ น, นี่เป็นซับซอ้นอนอธิบายแถมถ้าเราต้องการที่จะให้กำลังใจตัวเองควรทำอย่างไรใช้ปัญญาต้องการที่จะให้กำลังใจตัวเองใช้ปัญญาดีที่สุดถ้าเผือว่ากำลังใจตนเองโดยการบังคับให้ตัวเองเนี่ยมันบังคับยังไงมันก็ยากและก็ไม่ค่อยจะเป็นกำลังขึ้นมาบังคับตัวเองไม่ค่อยเป็นกำลังกำลังป่อแป๊ แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วจะเข้าใจโอ้นี่มันควรกำลังมันจะมากำลังมันจะมาเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจในเรื่องของอิทธิบาทสหนึ่งฉันทะฉันทะคือความยินดีเพราะฉะนั้นคนยินดีนี่คือคนเข้าใจว่าโอ้นี่ดีนี่ยินดียินดีน ด, ดีนี่ดีนี่ใช่ไหมยินดี คนมีความเข้าใจว่าอันนี้ดีนี่วิริยะก็ตามมาความขยันมันเพียงก็ดีมาแม้บางทีมันยากบางทีมันขี้เกียจแต่มันดีนี่ใจมีความรู้ความเห็นว่ามันดีนี่นี่คือปัญญาปัญญาใช้ปัญญาให้เห็นสิ่งนี้ดีนะควรนะแม้มันจะยากแม้มันจะขี้เกียจแม้มันจะไม่ค่อยชอบแต่มันดีนี่ เมื่อมีปัญญางี้จะเกิดกําลังใจให้แก่ตนเองวิริยะจิตตะจะตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีวิริยะเพียรทินี้เมื่อเห็นว่าดียินดีตัวอิทิบาทตัวแรกเมื่อดีแน่ๆตัวสอบว่าดีแน่แนมีความเพียนบ้างไม่เพียนก็เข็นให้เพียนสองใจมีเท่าไหร่โถมเข้าไปให้เต็มเสร็จแล้วต้องหัดตรวจสอบเมื่อทําเต็มที่แล้วนะมันถูกหรือเปล่ามันปิดหรือเปล่ามันเพียนหรือเปล่าได้ผลหรือไม่ได้ผล มีมังสามีมังสาแปลว่าเอาแต่เนื้อเนื้อเอาแต่เนื้อเนื้อเอาแต่ของดีๆของถูกๆมังสาแปลว่าเนื้อแต่โดยความหมายมก็แปลว่าตรวจสอบไตรตรองเอาสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่คุณทําไปด้วยความบริยะคุณที่มีจิตโถมเข้าไปนั่นแหละที่คุณยินดีนั่นแหละแล้วมันถลําหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าตรวจสอบอีกทีนึ่งอ้าว ถามเราต้องการจะให้รับใจตัวเองเอ่อนทบแล้วอ่อนแอกับอ่อนโยนต่างกันอย่างไรคะอ่อนแอมันก็คือตัวอกุศลตัวไม่ดีตัวที่ไม่มีกําลังที่มันไม่เอาฐานมันปอแปรปอแปร อ, อะไรก็ไม่แข็งแรงทั้งั้งที่รู้ว่าอันี้ดีมันก็อ่อนแออ่อนโยนนั่นคือคุณธรรมชนิดหนึ่งหมายความว่าเป็นคนที่รู้จักทําให้มันดูได้สัตว์ได้ส่วนที่ไม่แข็งไม่กระด้าง ในกายกรรมก็ตามในวิจีกรรมก็ตามในมโนก็ตามอ่อนโยนเป็นความหมายที่ทำให้มันดูนิ่มนวลให้ดูมันอยากกระด้างอยากแข็งดือ้อแข็งแก่ ง, แ ข, งแข็งกระด้างแข็งด้านอะไรไปแล้วแต่ก็พูดใช้ภาษาพยัญชนะอธิบายสภาวะนี่มันทุ่ม14นาทีแล้วนี่ตอบหมดนี่มันก็จะกินเม่าับเอาตอบเร็วที่สุดจะใช้เวลาภายในคำตอบนี่ไม่ให้เกินสองนาที มีอยู่โอ้โหนี่สี่ข้อเนี่ยเจ้าประคุณ네ข้ออีกสอีกข้ออ๋อข้อสอยู่ด้านหลังอ้าวตอบอาม마พันเตปแล้วว่าอะไรครับแล้วว่าขอรับอา마พันเตปว่าขอรัครับผมหรือก็คงจะใช้ครับครับข้าผูิงก็ข้าหรือก็แล้วแต่คํารับถ้าหากจิต เราไม่คิดร้ายกับใครแล้วแต่คนอื่นยังมีจิตคิดร้ายกับเราอยู่จะถือว่ายังเป็นการจองเวรจองกรรมกันอยู่ไหมคะแล้วเราควรวางตัวเช่นไรเราไม่คิดกับเขาแล้วเราปล่อยเขาให้ปล่อยให้จริงส่วนเขาคิดอยู่เขาจองเวรก็เท่านั้นเองนะอยากทราบว่าความสุขที่แท้จริงคือสุขอะไรความสุขที่แท้จริงนั้นจริงจริงแล้วมันไม่มี พระอรหันต์ไม่มีความสุขความทุกข์อุเบกขาอุทุกขมสขเฉยๆ ก, กลางๆแต่รู้ว่าอะไรความควรจะมีใจยินดีหรือว่ามีใจดีๆ ด, ด้วยทําดีๆ ด, ด้วยใจอาดาว่าไม่ควรดีๆ ด, ด้วยเท่านั้นเองเพราะความสุขคือความเท็จคือความลวงนั่นนี่ตอบอย่างประมาทเลยเพระาะงั้นคนที่ไม่เข้าใจความสุขที่แท้จริงสุขขันลิกะเนี่ย บูปสโมโสุขปลว่าความสุขที่สงบระงับกิเลสได้ไปเรื่อย ๆ, ๆจนถึงสุดท้ายแม้จะใช้คำว่าความสุขโดยนิพพานังปรมังสุขขังสุแปลว่าดีขะนี่แปลว่าว่างจิตว่างๆกลางๆนั่นแหละดีที่สุดเพราะฉะนั้นความสุขจริงๆนั่นคือจิตเป็นอุเบกขากลางๆว่าง ๆ, างๆและก็มีแต่ปัญญ า, าตอบประมาท อย่างงี้ก็แล้วกันก็สีการเป็นผู้นำที่ดีควรจะทำตัวเช่นไรคะเป็นผู้นำที่ดีก็คือทำคุณอนสมควรก่อนแล้วก็เป็นผู้นำคนเขาหรือสอนคนเขาทำตัวอย่างให้กับคนเขานี่คำสอนพระเจ้าทำคุณอนสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นจากไม่มัวมอง นั่นเป็นผู้นำที่ดีก็คือต้องทำตนเองให้ดีก่อนนะจะยู่นิ่งก็ได้แต่ไม่นิ่งจะหวังสิ่งใดๆก็ได้สมกับต้องมาเปลืองตัวกลั่โครนตรมด้วยสังคมโลกเขาไม่เข้าใจแปดสิบปีที่ผ่านคืองานหนักโพธิรักโพธิกิจอันยิ่งใหญ่แม้ผานแม่ัยผาน ผ, านผ่านเผาสักเท่าใด ยังสดใสองค์อาจประกาศธรรมจากกรดเดินของอิสาราค่ะมวโทษไม่ได้ถามอะไรามาเอากรอนมาชมเชยกันเล่นอัตมาตอ่านตอนแรกมันนึกว่าไม่ใช่กรอนอากาศไปเอากรอนนี่ก็เลยอ่านไปเลยถ้ารู้ก็จะไม่อ่านออกเมื่อกี้เนี่ยเพราชมอัตมาเฉยๆและเอาใบสุดท้ายจักรล้างโลกทำจักรล้างโลกกระทำนะจักรล้างโลกกระทำล้างอย่างไรเจ้าคะตัวยึดด้วยตัวยึดด้วยคะ่ะ ขอปัญญาหน่อยค่ะ อ, อยากจะรู้ตัวยึดเอมันมีหนวดไหมเนี่ยตัวยึดมีหนวดไหมจะล้างอย่างไรคะอาตมาสอนหรืออาตมาบรรยายอาตมาพูดอยู่ทุกเวลานะติดตามทุกคำสอนผล า, างทั้งสิน้นจบอเอาง่ายๆอย่างเงี้ย <c oughs> เลยเวลาก็ไปหล่นาทีแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่จริงไม่เลยไม่มากหรอกเมื่อกี้นี่ค้ชชอชอเขาไหร่อ่ะนะค้ชชอชอกขีนนาทีเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูเนาะนี่ไม่เลยไป18นาทีาเอาละก็คงไม่เลยมากเท่าไหร่โค้ชอกอประมาณนั้นน่ะอันนี้เอากรอดอิสลามมาอาตมาไม่สะดุดจะอยู่นิ่งก็ได้แต่แต่ไม่นิ่ง อออาตามานี่มีคนไม่นิ่งเนาะจะหวังสิ่งใดใดก็ได้สมได้สมที่ไหนอาตามายอยากได้คนมาปฏิบัติธรรมมากกว่านี้ไม่ได้เลยกลับมาเปลืงตัวกลั่มโครนตรมด้วยสังคมโลกเขาไม่เข้าใจ <c oughs> เอาเอาเอา เ, อา <c oughs> เอาประกาศสมณะที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพน่ะสมณะที่ยังไม่ตรวจสุขภาพ พบคุณหมอได้ที่สล า, า ง, งานชั้นล่างหลังจบรายการพวกครูอา้าวเชิญเชิญเชิญเชิญชิญ น, น้าสมณะที่ยังไม่ตรวจสุขภาพพบคุณหมอเลยที่สล า, า ง, งานชั้นล่างน้าเอาเลยเชิญเลยเอา้าวกราผู้ใหญ่น้าเด็กจะกราผู้ใหญ่น้าว่างไง วันนี้มาไม่ได้ไงมามาพเข้ารายการนิดหน่อยครับอ้าวก็บอกว่ามาไม่ได้เงเลยไม่ได้รายการก็เลยจมาอครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพนี้ก็มาอีกนั่งอยู่ข้างหลังแต่รนี้ได้คบพวกนี้ก็ได้ทรายการีรมาอยู่ยาวนะอยู่ยาวที่นี่อยู่อออยู่ไปจนม่สุด เสร็จงานนั่นแหละ